ประเทศเราจะไม่ทำรวยนะไม่ยิ่งใหญ่อะไรแต่เรามีมรดกทางวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่คือเราสามารถรักษาคคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้ได้สืบทอดกันมาั้ง 2,000 กว่าปีแล้วในโลกก็ความทุกข์นมาก แต่ละคนก็หาวิธีพ้นทุกข์ของตัวเองนี่เราบุญบรรพบุ ร, รุษเราเลือกที่จะศึกษาสืบทอดคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเราอย่าไปบ้าท้าบศาสนาพุทธนะว่าเป็นเรื่องพิธีกรรมเรื่องอะไรงั้นเรื่องปลีกย่อยมากเลยศา ส, สนาพุทธไม่ใช่ปรัชญา้วย ไม่จําเป็นต้องเป็นปรัชญาเป็นวิทยาศาสตร์เป็นอะไรไม่มีความจําเป็นศาสนาพุทธก็คือครรําสอนของพระเจ้าถ้าเราศึกษาได้ถ่องแท้เราจะพบว่าศาสนาพุทธนั่คือศาสตร์อันหนึ่งคือศาสตร์อันหนึ่งท่าที่จะสามารถช่วยพัฒนาจิตใจของเราให้พ้นจากความทุกข์ได้เป็นศาสตร์ที่อัศสัจจริสุดเลย ศาสตร์อื่นๆเขามุ่งแก้ปัญหาแต่ละสาขาอย่างวิทยาศาสตร์เก็แก้ปัญหาของเขาไปแพทยศาสตร์เขก็แก้ปัญหาเรื่องของแพทย์นิติศาสตร์เรื่องของกฎหมายเรื่องอะไรเงี้ยศาสนาพุทธเราก็มุ่งไปที่ถ้าจัดความทุกข์ออกแกบใจให้ได้ก็อยู่าไปวาภาพนั้นอย่าไป น, นึกนะว่าเป็นแค่ปรัช ญ, ญาอะไรเรื่องๆล อ, อ, อยๆ แท้จริงเป็นศาสตร์ที่สมบูรณ์อยู่ในตัวเองเลยถ้าเราเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างทองแท้เนี่ยเราจะโยนความทุกข์ทิ้งออกจากใจเราได้ในเวลาสั้นสั้นนะไม่ยาวแต่เราต้องกล้าหาญพอที่จะเรียนรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยส่วนใหญ่ที่พวกเราเรียนมันเป็นเรื่องพิธีกรรมประเพณีแท้จริงคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ย เขาไปสู่จิตใจของคนกลุ่มไหนก็ได้ไม่เป็นต้องเป็นคนไทยหรอกไม่ได้ขึ้นกับระเบียบประเพณีอะไร เ, เองเถอประเพณีไทยจำนวนมากที่เอาจริยวัตรครณธ า, าการอะไรที่มาจากศาสนาพุทธถ้าเรามาศึกษาศาสนาพุทธให้ท่องแท้นี่เรามีเวลาคุยกันเราเราชั่วโมงหนึ่งตอนนั้นนะพอ หลวพ่อบอกว่าพอนะธรรมะจริงๆฟังแล้วว่ามีเยอะว่าแ0ี่พันพระธรรมขันธ์แต่ธรรมะเพื่อความพ้นทุกข์ของคนคนหนึ่งนะไม่มากเท่าไหร่แล้วการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงไม่ยากเท่าไหร่ถ้าหลวงพอไปศึกษาเชตูปุาจา์ครั้งแรกเลยตอนเด็กๆฝึกแต่สมถะฝึกอานาปนานสติทำความสงบอย่างเดียว ทำความสงบอยู่ย2่ปีมันก็ได้แค่สงบนะสงบแล้วก็ฟุ้งซ่านถ้าไปทำอีกก็สงบอีกถ้าศาสนาพุทธมีความหมายแค่การนั่งสมาธิให้จิตใจสงบศา ส, สนาพุทธไม่มีคุณค่าเท่าไหร่หรอกดีเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ดีเลิศหรอกศา ส, สนาอื่นเา้าสอนเรื่องการทําจิตใจให้สงบนี่หลวงพ่อหาคําสอนแท้ๆของพระพุทธเจ้าไม่เจอใช้เวลานาน 2ี่ปีทาแต่สมาธะทำสมาธิกันไ่เจอหลวงปู่ดุลเมื่อปี25 2 5เนี่สปแปลงเป็ข้อสอเองนะแปลงไม่เป็นท <c oughs> ่นี้คุณเนพัน1ก0 0กว่าเจอหลปู่ดุลสิ่งแรกที่ท่านสอนหลวงพ่อเลบอกว่าการปฏิบัตินันไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเอง หลวมาฝึกอ่านจิตตัวเองดนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยคำว่าอ่านก็เป็นคําบอกอยู่ในตัวเองแนละ้วอ่านมันเป็นยังไงอ่านไม่ใช่เรื่องคิดตัวเองไม่ใช่เรื่องคิดตัวเองไม่ใช่เรื่องปรุงแตง่งเราทําตัวเป็นนักประพันธ์นักประพันธ์ไม่ใช่นักอ่านเราเปลี่ยนตัวเองจากนักคิดนักปรุงแตง่ง มาเป็นคนที่อ่านใจตนเองอย่างที่มันเป็นถ้าลองฝึกดูนะมราจะใช้เวลาไม่นานอาจจะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่หลวงปูด่ดูลสอนไม่ใช่มแค่เรื่องการดูจิตใจของตนเองท่านสอนกรรมฐานไว้เยอะแยะเลยลูกศิษย์ของท่านบางคนแล้วหลวงปูด่ดูลสอนให้ดูกายพี่ชริต า, ากายพจารณาผมพี่หน้ากระดูกนลยนะแต่กัาหลวงพ่อเนี่ยท่านสอนให้ดูจิตตนเอง แท้จริงแล้วการดูจิตก็เป็นคำสอนที่สืบทอดมาจากพระพุทธเจ้านั่นแหละไม่ใช่ของแปลกประหลาดเพียงแต่ว่าไม่ค่อยมีคนศึกษาปฏิบัติส่วนใหญ่จะไปดูกายเริ่มต้นจากกายไปคิดถึงการปฏิบัตินะถ้าไม่นั่งสมาธิก็มาพิจารณากายก็ยจะมุ่งไปตรงนั้นกันเพราะครูบาอาจารย์แต่ก่อนท่านทำอย่างนั้นแต่หลวงปู่ ด, ดูลกับสอนหลวงพ่อนะฉีกแนวออกไปสอนให้ดูจิต แท้จริงหลวงปุ่มั่นซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงพูดูลเพราะเราเคยได้ยินชื่อไหมเป็นอาจารย์หลวงพ่อชายีกทีนะของพระชาเรียนกับหลวงปู่มั่นสามวันเองก็เป็นพรนได้ดีขนาดนั้นหลวงปูดูลเนี่ยอยู่กับหลวงปู่มั่นนานก็ไปศึกษาเป็นรุ่นแรกเลยลูกศิษย์รุ่นแรกของหลวงปุ่มั่นเลยหลวงปู่มั่นก็สอนให้หลวงพูดูลดูจิตัวเองดูจิตนะ สอนเป็นภาษาบาลีว่าสเพสังคาราสัพพสัญญาอนิจจาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายไม่เที่ยงสเพสังคาราสัพพสัญญาอนัตตาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนคําว่าสังขารก็คือความปรุงของจิตปรุงดีปรุงชั่วทั้งหลายเรียกสังขารอย่าความโกรธความลบความหลงอันนี้แหละเรียกว่าสังขารสัญญาเป็นความจําจําได้หมายรู้ เช่นจำได้ว่าสีเขียวแต่ว่าอย่างนี้สีแดงแปลว่าอย่างนี้เราขับรถ น, นะนี่หลวงปู่มั่นสอนหรวงปู่ดูน์สอนให้ดูจิตตนเองให้สังเกตไปว่าจิตใจนี้มันมีความปรุงแต่งเกิดขึ้นตลอดเวลาหลวงปู่มั่นมาสอนหลวงพู่ดูลนมาสอนหลพ่อะก็สอนให้ดูจิตตนเองทําไมท่านสอนให้ดูจิตตนเองสอนแปลกว่าลูกศิษย์จํานวนมากของท่าน ถ้าท่านเห็นว่าหลวงพ่อเป็นคนเมืองเป็นคนสมัยใหม่นะเรียนมามากอ่านหนังสือมามากเป็นนักคิดคนซึ่งมีจริตนิสยัยช่างคิดเนี่ยกรรมฐานที่เหมาะาคือการดูจิตอันนี้ไม่ใช่หลวงู ด, ดูลยพูดเองไม่ใช่หลวงปู่มันพูดเองอยู่ในคำภีรของเราเองการปฏิบัตินั้นมันมีสองส่วนใหญ่ๆส่วนหนึ่งดู ก, กาย และก็เวทนาเวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์อันนี้เหมาะ ก, กับพวกที่มีนิสัยรักสุขรักสบายรักสวยรักงามรักความสงบอย่างรุ่นครูบาอาจารย์แต่ก่อนท่านเป็นชาวไร่ชาวนาวันวันท่านไม่มีอะไรต้องชิดมากจิตใจท่านก็นิ่งๆสงบไม่ค่อยมีอะไรทำสมาธิง่ายก็ทำสมาธาิแล้วก็ยังนิ่งต่อไปอีกไม่มีอะไความสุขก็ต้องมาใช้กรรมฐ า, านดูกาย เพราะร่างกายเนียดูได้ตลอดเวลาไปดูจิตไม่มีอะไรให้ดูมันนิ่งไปหมดส่วนพวกที่คิดมากเ้าเรียกว่าพวกทิฏฐิจริตพวกทิฏฐิจริตในกรรมฐานที่หมอก็ <Okay. S 2> คือการดูจิตหรือไม่ก็เจริญธรรมานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาเนี้ยดูทั้งกายดูทั้งจิตมันทำงานควบกันไปดูรูปนาม เงียจริงๆแล้วเป็นคำสอนซึ่งมีมาก่อนไม่ใช่คำสอนใหม่ๆที่หลวงพ่อมาคนมน้นพบนะคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองแต่ว่าพวกเราไปเข้าใจผิดกันเองนะว่าเบื้องต้นต้องดูกายสุดท้ายตอนจะแตกหกักบรรลุพระธรนถึงยังมาดูจิตพระเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นดูกายก็ได้คนไหนมีนิสัยรักสุขรักสบายรักสวยรักงามนะให้ดูกายคนไหนช่างคิดช่างนช่างปรุงช่างแต่ง จิตใจเดี๋ยวสุขจิตใจเดี๋ยวทุกข์จิตใจเดี๋ยวก็ดีจิตใจเดี๋ยวก็รายให้ดูความเปลี่ยนแปลงของใจการดูจิตหรือการดูกายเนี่ยไม่ใช่ไปเพ่งกายให้นิ่งไม่ใช่ไปเพ่งจิตให้นิ่งถ้าไปเพ่งกายให้นิ่งเช่นรู้ลมหายใจแล้วก็เพ่งให้จิตนิ่งอันั้นสมถกรรมฐานนะถ้าจะทำวิปัสสนากรรมทานเนี่ยมีจิตเป็นคนดูเห็นร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูมันถึงจะเกิดปัญญาเห็นว่าจิตที่ร่างกายที่เคลื่อนไหวไม่ใช่ตัวเรา การดูจิตก็เหมือนกันถ้ามีจิตคนหนึ่งเป็นคนดูอยู่เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในใจของเราความเปลี่ยนแปลงที่เกิดในใจขอเราเนี่ยมันเกิดอยู่ตลอดเวลาเมื่อตามองเห็นเมื่อหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสเมื่อใจคิดนึกความรู้สึกทางใจจะเปลี่ยนให้พวกเราคอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกของเรานะเช่นขณะที่เราเห็น คนนี้มาเพื่อนต่อมาความรู้สึกในใจเรื่อมีมีความสุขรู้ว่ามีความสุขดีใจรู้ว่าดีใจเห็นคนนี้เราเกลียดรู้ทั น, นเลยเกิดความรู้สึกเกลียดขึ้นใน ใ, นใจรู้สึกไม่สบายใจมีความทุกข์ขึ้นใน ใ, นใจให้คอยรู้ทันนะการจะทํากรรมฐานการจเจริญปัญญาเนี่ยไม่ใช่ฝึกให้นิ่งการฝึกให้นิ่งมีมาก่อนพระพุทธเจ้าแต่ท่านสอนให้เรา เห็นความเปลี่ยนแปลงของกายของใจคอยเฝ้ารู้อยู่นะคนไหนถนัดดูกายเราก็ดูกายไปเห็นร <go> ่างกายมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวหายใจออกเดี๋ยวหายใจเข้าเดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนอนดูความเปลี่ยนแปลงของกายไปเรื่อยใจเราเป็นแค่คนดูทําตัวเป็นคนดูสบายๆเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าเห็นร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนอนเหมือนเราเห็นคนอื่น เมื่อเราเห็นคนอื่นให้ใจออกเห็นคนอื่น ใ, ใ น, ในในใจเข้าเห็นคนอื่นยืนเดินนั่งนอนเราเป็นแค่คนดูเป็นผู้สังเกตการ์ดเป็นออบเซอร์เวอร์เป็นผู้สังเกตการเฉยๆไม่ใช่ผู้แสดงดูจิตก็เหมือนกันเราดูไปเมื่อตามมองเห็นจิตใจมีความสุขรู้ทันเมื่อตามมองเห็นจิตใจมีความทุกขก็รู้ทันเมื่อตามมองเห็นจิตใจเป็นกุศลขึ้นมาก็รู้ทันจิตใจโลภจิตใจโกรธจิตใจหลงก็รู้ทัน เมื่อหูได้ยินเสียงนะเกิดความสุขขึ้นในใจรู้ทันเกิดความทุกข์ขึ้นในใจรู้ทันเกิดกุศลเกิดลบกรดลงขึ้นในใจรู้ทันนี่แหละเรียกว่าการดูจิตนะไม่ใช่ไปเพ่งจิตให้นิ่งบางคนคิดว่าดูจิตก็ถือไปจ้องจิตแม้จิตเคลื่อนไหวเพรานั้นเรื่องของสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนะั้นต้องการเรียนเพื่อให้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายนะัเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็ดับไปเราต้องการแค่นี้เอง ต้องการให้เห็นซ้ําแล้วซ้ำอีกนะว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในกายของเราเนี่ยเป็นของชั่วคราวทุกเกิดทุกอย่างที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราเป็นของชั่วคราวเห็นซ้ําแล้วซ้ํำอีกนะวันแล้ววันเล่าเดินแล้วเดินเล่าปีแล้วปีเล่าจนกระทั่งจิตใจเรายอมรับความจริงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นจะต้องดับเป็นธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นในกายในใจเราเนี่ยเป็นของชั่วคราวทั้งหมด เรืการเจริญปัญญาหรือการทำวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมุ่งมาสู่จุดนี้ถ้าเมื่ไรจิตใจเรายอมรับความจริงนะว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในกายทุกอย่างที่เกิดขึ้นในจิตใจเป็นของชั่วคราวต่อไปนี้เราจะไม่หวั่นไหวกับความเปลี่ยนแปลงทุกๆอย่างเราจะรู้เลยว่าความสุขก็เป็นของโชคราวความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวความดีก็เป็นของชั่วคราวความชั่วก็เป็นของชั่วคราว เราจะเห็นว่าทุกอย่างผ่านมาได้แล้วทุกอย่างก็ผ่านไปทั้งสิ้นเลยถ้าใจยอมรับตรงนี้แล้วต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเรานะเราจะไม่ทุกข์ทางใจความทุกข์เนี่ยจะเข้าถึงได้แค่ร่างกายของเราแต่จะเข้ามาไม่ถึงจิตใจของเราอีกต่อไปลจิตใจเกิดความทุกข์ขึ้นมาได้นะเพราะจิตใจเนี่ยไม่ยอมรับความจริงความจริงของชีวิตเรานะมีแต่ของไม่เทีย่ยง มีแต่ของเป็นทุกข์คือบีบคั้นมีแต่ของที่บังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับอย่างเราสั่งร่างกายเราไม่ให้แก่สั่งไม่ได้สั่งไม่ให้เจ็บสั่งไม่ได้สั่งไม่ให้ตายสั่งไม่ได้สั่งจิตใจเราให้มีแต่ความสุขห้ามจิตใจว่าอยากมีความทุกข์เราสั่งไม่ได้สั่งจิตใจว่าจงดีอย่างเดียวนะห้ามชั่วนะก็สั่งไม่ได้เน่ตในความเป็นจริงของชีวิตเรานะเต็มไปด้วยของที่สั่งไม่ได้ หรื อ, อย่างเราจะพลาดพลาดจากคนที่เรารักเราต้องเจอคนที่เราไม่รักเราก็เลือกไม่ได้ยังความพลาดพลากมาถึงเมื่อไรก็ได้การที่ต้องเจอคนที่เราไม่ชอบเจอในปรากฏการในสถานาการณ์ที่เราไม่ชอบเกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้ความทุกข์มันเกิดจากใจเราไม่ยอมรับความจริงของชีวิตแก่แล้วไม่ยอมแก่นะไม่อยากแกแ่ก็ทุกข์มันจะต้องเจ็บป่วยไม่อยากเจ็บป่วยมันก็ทุกข์ มันจะต้องตายไม่อยากจะตายมันก็ทุกข์มันจะต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักจากคนที่เรารักเรายอมรับไม่ได้เราก็ทุกข์มากถ้าเรายอมรับได้ไม่ทุกข์หรอกเราต้องเจอสิ่งที่ไม่รักเป็นกลา่าวๆเจอสิ่งที่ไม่ชอบเป็นกลา่าวๆถ้าใจเรายอมรับได้เราก็ไม่ทุกข์ถ้าใจยอมรับไม่ได้ใจก็ทุกข์เนี่ยใจของเรามันเป็นอย่างนี้เอ ง, เองคือความอยากทั้งหลายเกิดขึ้นมาไมนทําให้ใจของเราเป็นทุกข์ขึ้นมา เนี่ยเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเรามาเรียนให้เห็นความจริงของชีวิตเลยร่างกายทั้งใจว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวเมื่อเรารู้แจ้งเห็นจริงว่าร่างกายเป็นของชั่วคราวเนี่ยพอร่างกายมันแก่ร่างกายมันแก่เป็นเรื่องธรรมดาถ้าเราเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อไรนะธรรมะนะเราจะเห็นว่ามันามมานะเป็นธรรมดาเมื่อไรเราไม่ทุกข์หรอกแก่ก็แก่นะร่างกายมันต้องแก่เป็นบุญแล้วที่ได้อยู่มาจนแก่ ร่างกายต้องเจ็บถ้ามันเจ็บไข้ขึ้นมาเรายอมรับความจริงได้ว่าร่างกายมันต้องเจ็บป่วยบ้างนะเป็นธรรมดาเรายังไม่ถูกเพราะความเจ็บไข้ได้ป่วยมีหลายคนนะอยู่ๆก็เป็นมะเร็งขึ้นมาเป็นมะเร็งปุ๊บพอรู้ว่าเป็นมะเร็งนะชอบตายเลยยังไม่ทันตายเพราะมะเร็งก็มีนะเนี่ยมีพระองหนึ่งพระผู้ใหญ่ท่านเล่าให้หลวงพ่อฟังท่านเป็นเจนา้าคณะภาคนะท่านอยู่ที่โคราช เขาบอกว่าวันหนึ่งญาติๆมาตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลนะมากันอย่างร่าเริงเลยนะสดชื่นมาอย่างดีมาถึงก็มาพักที่วัดแล้วก็ไปตรวจร่างกายแล้วก็ออกเที่ยวหลายวันนะวันที่ไปฟังผลนะบอกว่าเป็นมะเร็งญาติต้องหามกลับมาที่วัดนะเพราะว่าช็อกไปแนละ้วกลับบ้านนะ่ะไม่กี่วันตายไปเลยยังไม่ได้เป็นมะเร็งมากด้วยนะเป็นนิดเดียว คือ ใ, ใจที่อยอมรับความเปลี่ยนแปลงไม่ได้อยอมรับความจริงไม่ได้นะใจมีมีความทุกข์มากนะอย่างพวกเราเนี้ถ้าเรายอมรับได้เราก็ไม่ทุกข์เท่าไหร่เราอยอมรับว่าเราพลัดบ้านพลาดเมืองมาอยู่ที่นี่มาเรียนหนังสือมาทํามากินมาใหม่ๆจิตใจไม่มีความสุขอะไรเงี้ยคิดถึงบ้านคิดถึงเลยอยู่ไปนานๆเราปรับตัวได้นะเราปรับใจได้อยู่ที่ไหนเราก็มีความสุขได้ไม่อยู่ที่ใจของเรานะถ้า ใ, ใจเราปฏิเสธ สิ่งที่กําลังปรากฏขึ้นในปัจจุบันใจชะถุกถ้าจิตใจเรารู้ความจริงว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นของชั่วคราวปรากฏการทางกายทางใจทั้งหมดหรืปรากฏการของโรกทั้งหมดนี้เป็นของชั่วคราวไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นความทุกข์จะเข้าไม่ถึงใจเลรับมันมีเท่านี้แหละแล้วการเจริญปัญญาเนี่ยก็คือการฝึกให้จิตมันได้เห็นความจริงว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเนี้ยเป็นของชั่วคราว อย่างเราความรู้สึกอยู่ในกายเราเห็นร่างกายหายใจออกเป็นของชั่วคราวร่างกายที่หายใจเข้าเป็นของชั่วคราวร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนอยู่เนี่ยเป็นของชั่วคราวยืนก็ยืนชั่วคราวนั่งก็นั่งชั่วคราวนอนก็นอนชั่วคราวเดินก็เดินชั่วคราวร่างกายเป็นสุขก็เป็นชั่วคราวร่างกายเป็นทุกข์ก็เป็นชั่วคราวนะ จิตใจเป็นสุขก็ชั่วคราวจิตใจเป็นทุกข์ก็ชั่วคราวจิตใจดีก็ชั่วคราวจิตใจโลภจิตใจโกรธจิตใจหลงจิตใจฟุ้งซ่านจิตใจหดหู่ก็เป็นของชั่วคราวนี่แหละเรียกว่าการเจริญปัญญามาดูกความจริงในกายในใจมันมีความเป็นของชั่วคราวนั้นแสดงตัวอยู่ตลอดเวลาแต่คนในโลกเนี่ยละเลยที่จะรู้ไม่รู้หรอกว่านี่เป็นศาสตร์ที่อัศจรรย์ที่สุดเลยศาสตร์แห่งการเรียนรู้ความจริงของตัวเอง ถ้าเราเรียนรู้ความจริงของกายบ่อยๆเราจะพบว่าร่างกายไม่เที่ยงร่างกายมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาร่างกายเนี่ยเป็นแค่วัตถุอยู่ชั่วคราวแล้วก็แตกสลายไปจิตใจก็ไม่เที่ยงจิตใจก็ถูกบีบคัน้นด้วยความอยากนานาชนิดจิตใจเป็นของบังคับไม่ได้สั่งไม่ได้ว่าต้องดีตลอดห้ามชั่วต้องสุขตลอดห้ามทุกเลยสั่งไม่ได้ในแหละการที่เราคอยมารู้กายมารู้ใจบ่อยๆนะ ก็เพื่อให้เห็นความจริงให้จิตใจมันยอมรับความจริงเห็นแรกๆยังยอมรับไม่ได้อย่างเราเห็นร่างกายนะหายใจออกหายใจเข้าอนะไรเนี้ยถ้าเราไม่เคยปฏิบัติเราจะรู้สึกว่าร่างกายของเราเป็นของดีแต่ถ้าเราฝึกปฏิบัติเรามีสติคอยรู้สึกอยู่ในกายเราจะเห็นว่ากายไม่ใช่ของดีต่อไปนั้นร่างกายมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานะ เราหายใจออกก็เพื่อแก้ทุกข์เราหายใจเข้าก็ เ, เพื่อแก้ทุกข์เราเปลี่ยนอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนก็เพื่อแก้ทุกข์เราวเรามาทดสอบดูว่าจริงหรือไม่เพราะเราลองหายใจเข้านะหายใจไปเรื่อยๆดูสิจะทุกข์หรือไม่ทุกข์เอาหายใจสักห้านาทีไหวไหมหายใจเข้าไปไม่ไหวใช่ไหมทำไมเราต้องหายใจออกเพื่อแก้ทุกข์ใชเราหายใจออกไปเรื่อยๆนะอยากหายใจเข้า ไม่ไหวใช่ไหม น, นึกออกไหมเราหายใจเพื่ออะไรเพื่อแก้ทุกข์นะถ้าไม่เราเปลี่ยนอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนเพื่อแก้ทุกข์นะร่างกายเราเนี้ยถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เคยเห็นเเราไม่เคยใส่ใจเราไม่เคยเรียนรู้ความจริงของร่างกายจิตใจก็เหมือนกันทำไมต้องเปลี่ยนอารมณ์เรื่อยๆทำไมจิตใจของเราบางทีเราอยากไปดูหนังอยากไปฟังเพลงไหม ม่มีความทุกข์บีบคั้นอยู่นะมันอยากเปลี่ยนอารมณ์เพื่อว่ามันจะได้รู้สึกสบายขึ้นเราไปดูหนังเราไปฟังเพลงเราไปหาของอร่อยกินนะคิดไหมว่าจะไปหาเพื่อมีความทุกข์ไม่ใช่ทำไมเราต้องไปคุยกับเพื่อนทำไมเราต้องโทรศัพท์ไปคุยกับคนอื่นอย่างเงี้ยหวังว่าจะมีความสุขในโลกเนี้ยนะทางกายเนียก็มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาจิตใจก็มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลา แต่คนทั้งโลกไม่เคยเห็นเพราะคนทั้งโลกไม่เคยเห็นความจริงว่ากายนี้เป็นทุกรุนร้วนจิตใจนี้เป็นทุกรุน้วนคนที่ไม่เคยเจริญสติเจริญปัญญาจะรู้สึกร่างกายนี้เป็นของดีของพิเศษเป็นตัวเราจิตใจก็เป็นของดีของวิเศษเป็นตัวเราเป็นของเราถ้ามหาเจริญสติเจริญปัญญามาดูความจริงของกายบ่อยๆจะเห็นว่ากายนี้มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลา มาดูความจริงของจิตใจบ่อยๆจะเห็นว่าจิตใจก็ถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็อยากดูเดี๋ยวก็อยากฟังเดี๋ยวอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากกระทบสัมผัสทางกายนะอยากสนุกสนานทางใจหรือมานั่งสมาธิกันนั่งสมาธิหวังว่าจะถูกข์ไหมไม่ได้อยากถูกใช่ไหมนั่งสมาธิหวังว่าจะมีความสุขอีกล่ะทำทุกสิ่งทุกอย่างนะเพื่อจะหาความสุข แต่ว่าถ้ามีสติปัญญาพอจะพบว่าความสุขสั้นนิดเดียวความสุขนั้นสั้นนิดเดียวนะแค่หายใจออกไปแป๊บเดียวก็ทุกข์แล้วความสุขมีนิดเดียวเมื่อหายใจเข้าให้ยใจเข้ามีความสุขอยู่นิดเดียวนะความทุกข์ก็ตามมาอีกลให้คอยรู้สึกอยู่ในใกายรู้สึกอยู่ในใจบ่อยๆนะอันนี้เป็นความลับที่พระพุทธเจ้าคนพบเป็นสัจธรรมที่ลึกซึ้งคนทั่วไปไม่เข้าใจเลย ใครๆก็เกลียดทุกข์ใครๆก็กลัวทุกข์เพราะพพุทธเจ้าสอนให้เราเผชิญหน้ากับความทุกข์และความทุกข์ไม่ใช่ทุกข์ทรมานนะสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์ในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยคือกายกับใจของเราเองอะไรเรียกว่าทุกข์พวกเราได้สวดนมนต์แปลบ้างไหมเคยไหมใครเคยสวดมนต์บ้างมีไหมหรือสวดไม่เป็นละ่ะธรมวันเช้าได้ทำ บ, บัตรบ้างไหมอ้ยอดเยี่ยมเลยได้แปลไหม สังคิตเตนะพันจุปาฏานักขันธาทุกขาใมว่าตัวย่ออุปัฏานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกอะไรเรียกว่าอุปาทานขันทั้งห้าบางคนแปลมั่วซั่วนะแปลอุปัฏานขันนะแปลว่าขันที่ถูกยึดมั่นถึงจะทุกอุปัฏานขันไม่ใช่ขันที่ถูกยึดมั่นแล้วทุกถ้าถ้าแปลอย่างนั้นนะถ้าไม่ยึดมั่นก็แสดงว่าขันเป็นสุขความจริงขันเป็นตัวทุกคำว่าอุปาทานขันนั้ะ เป็นการแยกชนิดของขันว่าขันมีสองชนิดขันชนิดหนึ่งเป็นขันที่พ้นจากอุปาทานคือพวกโลกุตตะละจิตทั้งหลายโลกุตตะละจิตทั้งหลายเนี้ยพ้นจากของทุกนอกนั้นอย่างสิ่งที่พวกเรามีเนี้ยจะยึดหรือจะไม่ยึดร่างกายเนี้ยจะยึดหรือไม่ยึดมันก็คือตัวทุกจิตใจนี้เราจะยึดหรือไม่ยึดมันก็เป็นตัวทุกนะงั้นโดยย่ออุปาทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกเนีย คือตัวนี้แหละตัวทุกกายน nei, ีน้แหละใจนี้แหละคือตัวทุกจะยึดหรือจะไม่ยึดกับทุกข์นะถ้านะเรามาเฝ้ารู้ความจริงของกายของใจไปรู้ปังอะนิจจ์นะส่วนไหมเวทนานิจจาสวดกันเยงๆเลยนะรู้ไม่รูปอยู่ที่ไหนไม่อยู่ที่ส่วนนะต้องรู้สึกอยู่ใน ร, รูปร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกเที่ยงหรือไม่เที่ยงร่างกายหายใจเข้าเที่ยงหรือไม่เที่ยงนี่แหละรู้ปังอะนิจจะนะ ดูของจริงสิเวทนาอนิจจาเวทนานัตตามีสองนั้นเวทนาไม่เที่ยงเวทนานบังคับไม่ได้ถ้าดูของจริงความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายใครดูสิมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยเกิดขึ้นในใจดูสิเที่ยงหรือไม่เที่ยงบังคับได้หรือบังคับไม่ได้ของจริงมันแสดงอยู่แล้วว่าไม่เที่ยงของจริงมันแสดงอยู่แล้วว่าบังคับไม่ได้ สวนมนุ์อย่างเดียวไม่บรรลุหรอกนะมรรคผลนิพพานแต่ส่วนมนุ์รับแปลได้เนี่ยสอนวิธีปฏิบัติเราในบนทธรรมัดช้านั่นแหละสอนวิปัสสนากรรมฐานเอาไว้แล้วหนะลวงพ่อแต่ก่อนไม่เข้าใจนะตอนเด็กๆบวชวัดชนประธานกับเจ้าคุณปัญญาตอนเป็นนักศึกษาถ้าส่วนมนุ์แปลส่วนไปอย่างนั้นแหละไม่เข้าใจความหมายว่า ม, มาภาวนาแล้วถึงโอ้ในบทส่วนม น, นุ์เนี่ยนะของวิเศษแท้เลย สอนวิปัสสนากรรมฐานให้เราอยู่แล้วให้ดูรูปเป็นของไม่เที่ยงดูรูปเป็นอนัตตาดูความสุขความทุกข์ไม่เที pattern, ่ยงเป็นอนัตตาดูความจําความจําได้ความมารู้ว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนัตตาดูสังขารหรือความปรุงดีความปรุงชั่วอย่างเช่นความโลภความโกรธความหลงเรียว่าไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ด้วยนอกจากไม่เที่ยงแล้วยังบังคับไม่ได้คำว่าอนัตตาไม่ได้แปลว่าไม่มีนะ อนัตตาหมายถึงไม่อยู่ในอะำนาจบังคับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งกายทั้งใจของเราเนี่ยที่ว่าเป็นอ น, นัตตาอนัตาหมายถึงสิ่งใดมีเหตุสิ่งานั้นก็เกิดสิ่งใดหมดเหตุสิ่งานั้นก็ดับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราสั่งนี่คำว่าอนัตตาคือมันไม่อยู่ในอะำนาจแต่มันเป็นไปตามเหตุอย่าจงจิตจะมีเหตุของความโกรธนะความโกรธก็เกิดจิตมีเหตุของความโลภความโลภก็เกิดจิตมีเหตุของความสุขความสุขก็เกิดนะ ในร่างกายก็มีเหตุมีให้เกิดมันก็เกิดคิดมาเราเฝ้ารู้ของจริงอย่างนี้แหละเราอย่าไปวาดภาพนะว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องนั่งสมาธินิ่งๆอย่างเดียวนะหลวงพ่อนั่ง22ปีมันนั่งแข็งกับใครก็สู้ไหวนะไม่กลัวหรอกนั่งสมาธินั่งให้สงบนั่งไหเเล่นมาเยอะหลอกที่ตอนเด็กๆ เ, เล่นแลออกนอกพนั่งปุ๊บแต่สักพักเดียวมันเด็กมันนั่งง่ายไม่คิดมาก อาจารย์สอนให้ใหายใจเข้าพูดให้ยใจออกโทรนะหาใจแพ๊บเดียวลมมันตื้นตื้นตื้ น, นกลายเป็นดวงสว่างเป็นแสงสว่างแนละ้วจากแสงสว่างนี้เราอยากจะไปเที่ยวไหนนะดูที่แสงนะออกเที่ยวของนอกไม่ลังกิเลสหรอกยี่สิบสองปีทำแต่ความสงบไม่ได้ล้างอะไรสู้กิเลสไม่ได้มหาจริญปัญญามาเรียนรู้ความจริงของกายเรียนรู้ความจริงของจิตใจเรื่อยไปใช้เวลาไม่นาน ความทุกข์ก็ค่อยลดลงลดลงนะจิตใจเป็นอิสระมากขึ้นมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นม า, ม, มากขึ้นใช้เวลาไม่มากหรอกค่อยค่อยฝึกเอาหันมาเรียนรู้ความจริงของกายเรียนรู้ความจริงของจิตใ จ, จตนเองบ่อยๆยตื่นเช้าขึ้นมาแทนที่ไอ้คิดไปโ น, น้นไปนี่นะคิดไปอดีตคิดไปอนาคตตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยรู้สึกเลยเห็นใจมันค่อยๆ flow, ่โฟล์ขึ้นมาจากความหลับค่อยๆตื่นตื่นขึ้นมาใจมันตื่นขึ้มา เห็นร่างกายมันนอนอยู่ใจเป็นคนดูพอใจมันเริ่มคิดขึ้นมาก็จะเริ่มมีความรู้สึกขึ้นมาเขรู้ทานความรู้สึกไปจะเห็นว่าความรู้สึกทั้งหลายชั่วคราวร่างกายที่นอนอยู่ก็ชั่วคราวความรู้สึกทั้งหลายก็ของชั่วคราวนี่แหละเรียกว่าการเจริญสติเจริญปัญญาไม่ใช่ทําให้นิ่งไม่มีประโยชน์เท่าไหร่ทำไม่นิ่งก็ดีกว่าฟุ้งซ่านแต่ไม่พ้นทุกข์ ถ้าเราอยากพ้นทุกข์นะพ้นทุกข์ได้ก็เพราะจิตยอมรับความจริงได้ว่าทุกอย่างในชีวิตเราชั่วคราวกายนี้ก็ชั่วคราวจิต น, นี้ก็ชั่วคราวอยากพ้นทุกข์ได้จิตยอมรับความจริงได้ก็ต้องพาให้จิตเห็นความจริงของกายของใจบ่อยๆยิ่งเขาเห็นบ่อยเขาก็ยิ่งยอมรับความจริงได้เร็วขึ้นถ้าเขาไม่เคยเห็นเลยเขาก็ไม่รู้จักความจริงอย่างร่างกายเราเนี่ยในใสายตาพวกเรารู้สึกไหมว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างรู้สึกไหม นี่ยังไม่เข้าถึงความจริงคําว่ารูปเป็นทุกข์ไหมรู้สึกไหมว่าขันเป็นทุกข์ไม่รู้สึกหรอกจะรู้สึกว่ามันเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเนี่เราไม่ได้รู้จักความจริงนะเพราะงัเราปล่อยวางไม่ได้บางคยเาพูดมักง่ายบอกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นไอ้นู่นก็ไม่ยึดไอ้นี่ก็ไม่ยึดพูดเอาเองว่าไม่ยึดจริงๆยึดทาไมยึดเน่ยเพราะไม่เห็นความจริงไม่เห็นทุกข์ของกายของใจ ถ้าเห็นทุกข์ของกายของใจได้เมื่อไหรมันไม่ยึดของมันเองนะไม่มีใครสั่งจิตให้บรรลุมรรผลนิพพานได้นะจิตบรรลุมรรผลนิพพานของจิตเองนะเมื่อจิตมีสติมีปัญญามากพอเห็นความจริงมากพอว่ามันทุกข์นะกายนี้ทุกข์ล้วนๆจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆพวกเรายังไม่เห็นพราะเราเห็นว่ากายเนี้เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ใช่เป็นทุกข์ล้วนๆจิตนี้ก็เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ใช่เป็นทุกข์ล้วนๆในขณะที่พระอรหันต์ท่านเห็นในกายเนี่ย เป็นทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปเมื่อท่านเห็นแจ้งว่าร่างกายเป็นทุกข์นะท่านก็ไม่หยุดเองเลจิตมันไม่หยุดหรอกหรือพระอราหารันต์ท่าจะเห็นนะจิตนี่เป็นทุกข์ล้วนๆนะพวกเราอย่าสาคัญผิดนะว่าพระอราหารันต์เนี่ยท่านฝึก เพื่อให้จิตมีความสุขท่านไม่ได้มุ่งออกมาตรงนี้นะแต่ท่านฝึกจนท่านเห็นความจริงแล้วจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆแล้วท่านสลัดคืนจิตให้โลกไม่ยึดถือจิตต่างหากท่านถึงผลนทุกข์เคยได้ยินคําว่าพ้นทุกข์ไหมอะไรเป็นทุกข์ขันห้าเป็นทุกข์พ้นทุกข์ก็คือจิตมันพ้นจากขันห้าถ้าไม่จิตมันพ้นขันห้ามันไม่ยึดถือขันห้าได้เพราะมันเห็นความจริงของขันห้าแล้วว่ามันเป็นทุกข์แค่นี้เองอะเคล็ดลับมันอยู่แค่นี้เองเพราะเราต้องรู้ทุกข์ให้มาก ร่างกายหายใจออกอ ม, มันทุกข์ฮะมันหายใจก็เพื่อแก้ทุกข์การหายใจเข้ามาแก้ทุกข์ทุกหายใจเข้าไปแป่บเดียวก็ทุกข์อีกแล้วก็หายใจออกแก้ทุกข์อีกละนั่งอยู่ก็ทุกข์ขยับไปขยับมานะก็ต้องขยับตัวแก้ทุกข์นั่งนานนั่งไม่ไหวก็ต้องลุกขึ้นยืนต้องเดินต้องเปลี่ยนอิทยบทิบาปเวลานอนทุกข์ไม่นอนรู้ไหมคืนหนึ่งขยับตัวอีกครั้ง ก็ทั่วไปแล้วประมาณสามสิบถึงสี่สิบครั้งนะถ้านอนรอดสติดีขยับตัวืู่กี้กูกี้เนะี่ยรู้ทั้งคืนเลยนะไม่ใช่นอนไม่หลับนะร่างกายหลับนะร้อนครอกๆเลยจิตนั้นตื่นจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานจะเห็นในร่างกายที่ว่านอนเดี๋ยวมีความสุขไม่สุขจริงเถึงนอนที่นอนนะอันละแสนนะนอนประเดี๋ยวเดียวก็เมื่อยนะเพาะมันไม่ได้เมื่อยที่ที่นอนนะมันเมื่อยที่ร่างกายต้องพลิกไปพลิกมา เนความทุกข์มันบีบคั้นอยู่ตลอดนะแต่ว่าคนให้ไม่เคยเรียนรู้ความจริงของกายของใจจะไม่เห็นทุกข์เมื่อไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นโทษของกายของใจจ้างให้เขาไม่ปล่อยวางถึงยามมาบอกว่าอย่ายึดมัน่นอย่ายืดมัน่นเอาเข้าจริงก็ยึดมัน่นเพราะปล่อยไม่ได้หรอกเพราะมันไม่เห็นทุกข์ผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมนะถ้าไม่รู้ทุกข์ก็ไม่รู้ธรรมทุกข์ ถ, กถึงเป็นสัจจข้อแรกของพระอริยเจ้าเคยได้ยินใช่ไหมอริยสัจสี ข้อแรถคือทุกข์นะหน้าที่ต่อทุกข์ให้รู้งั้นหน้าที่ของเราคือรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจดูสิกายนี้จริงๆเป็นของดีของวิเศษจริงไหมจิตนี้เป็นของดีของวิเศษจริงไหมทุกวันนี้เราวิ่งหาความสุขแล้วก็มาดูอีกความสุขเป็นของดีของวิเศษเป็นที่พึ่งที่อาศัยได้จริงหรือไม่จริงพวกเราหาความสุขมาเยอะแล้วเรารู้สึกไหมว่าความสุขก็หายไป มันอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็หายไปมันมันเอาเป็นที่พึ่งไม่ได้มันของแปรโทนนะแต่ถ้าเราเห็นเลยความสุขก็เป็นของชั่วคราวความสุขจะมาหรือความจะสุขจะไม่มาจิตใจก็คงที่นะจิตใจก็มีเต่ความอิ่มเอิบเบิกบานอยู่ภายในไม่ต้องวิ่งหาความสุขอะไรข้างนอกเลยมันอิ่มอยู่ข้างในนะความทุกข์ก็ชั่วคราวถ้าเราเห็นความทุกข์เป็นของชั่วคราวนะเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นในชีวิตเราเราไม่ทุรนทุรายหรอกเรารู้ว่าชั่วคราวอะไรอะไรก็ชั่วคราวนะ อันนั้นที่เราหัสมาเจริญปัญญาเนี Arizona, ่ยเพื่อให้เห็นความจริงว sure. ่าในกายนี้เต็มไปด้วยของโชคราวในจิตใจนี้เต็มไปด้วยของโชคราวในกายนี้เต็มไปด้วยทุกในจิตนี้เต็มไปด้วยทุกในกายนี้เป็นเต็มไปด้วยของที่บังคับไม่ได้นะในจิตนี้เต็มไปด้วยของที่บังคับไม่ได้ทุกอย่างเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราสั่งเราไม่มีอำนาจบังคับอย่างบังคับร่างกายไม่ให้แก่บังคับไม่ได้นะ บังคับไม่ให้เจ็บบังคับไม่ได้บังคับไม่ให้ตายบังคับไม่ได้บังคับไม่ให้พลัดพรากจากสิ่งที่รักคนที่รักเราบังคับไม่ได้บังคับว่าจะต้องสัมผัสกับความสมหวังตลอดบังคับไม่ได้เนี่ยมันดูของจริงนะไม่ยากเกินไปงั้นประโยคแรกที่หลวงปุ่ดลสอนหลวงพ่อนะประโยคแรกเลยท่านบอกว่าการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติ ใชยากอะไรรู้สึกกายก็เห็นความจริงของกายไปรู้สึกในจิตใจก็เห็นความจริงของจิตใจไปเพราะเราเรียนได้ได้นะนี่เป็นศาสตร์ที่อัศจรรย์ที่สุดเลยถ้าเข้าใจสิ่งที่หลงพ่อบอกแล้วลงมือปฏิบัติลงมือคอยรู้กายรู้ใจเรื่อยๆในเวลาไม่นานหรอกสองสามเดือนบางคนเดือนเดีเดยวนะชีวิตจิตใจก็เปลี่ยนแล้วมีเด็กคนหนึ่งห้าขวบเด็กอายุห้าปี ไปฟังหลวงพ่อสอนอยู่ที่บ้านจิตสบายสอนอยู่หลตยรอบล้วแล้วนะลเขาก็บอกว่าก็าบอกกับลูกศิษย์หลวงพ่ อ, อ้นบอกว่าเขาเห็นความโกรธแต่ทําไมความโกรธมันสั้นนิดเดียวพรความโกรธเกิดขึ้นแล้วสติเกิดปั๊บนะความโกรธมันดับอัตโนมัติเลยตัวอื่นก็เหมือนกันความทุกข์เกิดขึ้ น, นะสติเราเรีรู้ปับ๊บความทุกข์จะดับอัตโนมัติเลย สั้นนิดเดียวปัจจุบันเน่ะสั้นนิดเดียวปัจจุบันไม่ใช่หนึ่งชั่วโมงปัจจุบันไม่ใช่หนึ่งนาทีนะแต่ปัจจุบันก็คือขนาดจิตต่อหน้าเรานี่แนะทุกอย่างเกิดแล้วก็ทับปับปับป๊บปั๊ไปในะครดูของจริงเย้มากนะะเมื่อไรจิตยอมรับความจริงได้ก็เรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมยากไปไหม <c oughs> ยากอะไร การปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติพวกไหนไม่ปฏิบัติพวกคิดลูกเดียวไม่ปฏิบัติสักทีเลยคิดลูกเดียวเลยเราอย่าโง่นะว่าศาสนาพูทเป็นปรัชญาที่ต้องคิดศาสนาพูทธเนี่ยเป็นศาสตร์ให้เราเข้ามาเรียนรู้ความจริงของกายของใจเช่นเห็นเลยกายนิทุกใจนิทุกถ้าเห็นได้แล้วเขาปล่อยวางของเขาเองถ้าเข้าปล่อยแล้วนะเราจะได้อิสระภาพ มนุษย์เนี่ยแสวงหาอิสรภาพตลอดเวลาแต่ตกเป็นทาตของตัณหาตกเป็นทาตของความอยากโือไม่รู้ตัวหรอกนึกว่ากูแน่กูแน่นะกิเลสสั่งทั้งวันเนี่ยสั่งให้ไปนโน่นเขาไปสั่งให้ไป น, นี่เขาไปสั่งให้มาวัดเข้ามานะ <S 2> <S 2> <S 2> <S แต่ต้องรู้จักนะอย่างกิเลสบอกให้มาวัดนะตัณหาอยากมาวัดเรารู้ทันนะตัณหาดับหรือเหตุผลนะ สมควรมาวัดเราก็มามไม่สมควรมาเราก็ไม่มาเราไม่ได้ปฏิเสธทุกสิ่งทุกอย่างนะไม่ใช่อยากมาวัดเละไม่มาอยากกินไม่กินอยากนอนไม่นอน <c oughs> ไอ้นั่นทฤษฎีเกาเหลาเราเราจะใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลชีวิตของชาวพุทธนะเป็นชีวิตที่รู้ ร, รู้รู้สึกตัวเป็นชีวิตที่ตื่น เป็นชีวิต ท, ที่เบิกบานร่าเริงไม่ใช่ชีวิต ท, ที่เ ค, เคร่งเครียดหน่อยเงาเศร้าสร้อยนะบางคนไปเข้าใจว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนามองโลกแงร่รายเพราะมองทุกถ้าศาสนาพุทธสอนแต่เรื่องทุกไม่สอนถึงเหตุของทุกไม่สอนวิธีพ้นจากความทุกแล้วก็เป็นศาสนาที่มองโลกงนะแง่รายแน่เดีนี้ท่านพาให้เห็นความจริงว่ามันทุกมันทุกเพราะอะไรเพราะใจมันอยากนะถ้าทําไงใจะจะพ้นทุกใจเห็นความจริงว่าตัวอย่างมันชั่วคราวแล้วมันจะอยากทําไม มันหมดอยากมันก็พ้นทุกสิเป็นอิสระใครๆก็อยากได้อิสระภาพนะแต่หาอิสระภาพจากข้างนอกนะหาไม่ได้หรอกมันนุ่นไม่มีอิสระภาพจริงตามทฤษฎีบอกมีอิสระภาพแต่จริงๆไม่มีหรอกมันตกเป็นทาตของความรู้สึกตกเป็นทาตของปัญหาตัวเองนี่เลยเราต้องมาปลดปล่อยตัวเองนะให้เป็นอิสระให้ได้คําว่าผู้หลุดพ้นความหลุดพ้นเคยได้ยินไหมหลุดพ้นมันเป็นอิสระนะเป็นอิสระจริงๆ ใจิตใจเราจะร่าเริงใจิตใจเราจะเบิกบานชาพุทธไม่ใช่พวกเคร่งเครียดหงอยเหงาเศร้าซร้ยเก็บกดอย่าไป น, นึกว่านะักปฏิบัติต้องเก็บกดนะเพราะเก็บกดนะพวกปฏิบัติไม่เป็นเพราะชาพุทธต้องรู้พุทธาแต่ว่ารู้นะพุทธาแต่ว่ารู้พุทธาว่าตื่นพุทธาว่าเบิกบานเราต้อ ว, ว่าปลูกจิตของเราให้เป็นพุทธาให้เป็นผู้รู้รู้สึกตัวขึ้นมาทันทีที่เรารู้สึกตัวขึ้นมาเราจะรู้สึกเหมือนเราตื่นขึ้นอย่างแท้จริง ในโลกไม่มีคนตื่นในโลกมีแต่คนที่ตื่นเฉพาะร่างกายแต่จิตใจนั้นหลับแล้วก็ฝันอยู่ตลอดเวลาเวลาที่มันหลับมันฝันตอนตื่นเนี่เขาเรีว่ามันหลงเป็นอยู่ในโลกของความคิดฝันกับคิดนะอันเดียวกันนะคิดตอนหลับเขาเรียกว่าฝันฝันตอนตื่นเขารียกว่าคิดแล้วชาวพุทธมันจะหลุดออกจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัว เราอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวได้นะร่างกายเคลื่อนไหวมันจะรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวมันจะรู enemy, ้สึกคนส่วนใหญ่เไม่รู้สึกหลงหลงไปอยู่ในโลกของความคิดมีร่างกายเราก็ลืมมันไปมีจิตใจก็ลืมมันไปอย่างเวลาเราใจลอยรู้จักใจลอยไหมเวลาใจลอยเรารู้สึกไหมมีร่างกายเราก็ลืมมีจิตใจก็ลืมนี่แหละไม่ใช่ชาวพุทธล้วต้องพยายามรู้สึกตัวได้่อยๆร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกพยายามรู้สึกไป ไม่ยากธรรมาของพุทชา้าไม่ยากถ้ารู้หลักนะถ้าไม่รู้หลั ก, กทำให้ตายเลยทาเงินปังตายได้เลยได้แต่ความสงบมุ่งไปที่ความสุขความสงบความดีสุขก็ไม่เที่ยงสงบก็ไม่เที่ยงความดีก็ไม่เที่ยงแต่ว่าต้องดีไว้ก่อนดีดีไะชั่วพอาดีนี่มีผลทำให้จิตใจพัฒนาได้เพราะชั่วนะีจิตใจไม่พัฒนา แล้วเราพยายามฝึกนะเรียนรู้ความจริงของกายของใจให้มากที่สุดแค่นี้เองส่วนมรรคผล น, นผิพพานนั้นเขาเป็นเองจิตเขาเป็นเองนะไม่อยากขอยืนยัน <laughs> ใครฝึกนะมันไม่ใช่ปรัชญาที่ต้องคิดเอา เป็นศาสตร์ที่ต้องมาเรียนของจริงคนในโลกนะั้นเขาหาความจริงหาปัญญาหาความจริงด้วยการไปฟังเลคเชอร์อ่านหนังสือใช่ไหมอันนี้ในทางศาสนาพุทธเรียกการหาความรู้หาความจริงจากข้อมูลจากประสบการณ์ของคนอื่นเนี่ยเรียกว่าสุตตามะยะปัญญาปัญญาจากการอ่านการฟังนั่นเป็นปัญญาของคนอื่นเราไปอ่านไปฟังเอาไม่ใช่ปัญญาของเรา ปัญ ญ, ญาอย่างที่สองจินตามายปัญญาคิดเัวเองคิดถูกก็ได้คิดผิดก็ได้ใช่ไหมส่วนใหญ่คิดผิดคิดผิดคิดที่ไหนก็มีเราทุกทีมันไม่สามารถเห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีปัญญาอย่างที่สามอันนี้สำคัญเรียกว่าภาวนามายปัญญาเจริญสติเจริญปัญญาไปดูของจริงถ้าเทียบกับงานทางวิชาการันคล้ายๆงานวิจัยภาคสนาม งา น, นวิจัยพักสนามเลยแต่เราไม่ได้วิจัยสิ่งอื่นเรามาเรียนรู้กายเรียนรู้ใจออบเจกต์ของการเรียนรู้คือกายกับใจเนี่ยเรียนรู้จนเห็นความจริงแนละ้วไม่เที่ยงเปนงน็นตุกเป็นอังลตารู้ความจริงตัวนี้แหละเรียกว่าปัญญาที่แท้จริงนี่วิปัสสนาปัญญาถ้าเกิดวิปัสสนาปัญญาเนี่ยจิตจะหมดความยึดถือในกายในใจถ้าจิตหมดความยึดถือจิตจะหมดภาระไม่มีความหนักเกิดขึ้น ถ้าเรายึดอยู่นะก็หนักยาดมนี้หนักไหมถ้าเทียบกับแก้วน้ำอันไหนหนักอันไหนเบาแก้วน้ําหนักเนาะแก้วน้ําไม่หนักสําหรับหลวงพ่อเลยเพราะหลวงพ่อไม่ได้ถื อ, <laughs> อยาดมนี้หนักนะเขาถือเอาไว้เนี่ยถ้าเราปล่อยปล่อยแล้วก็แก้วน้ํำกับยาดมนี้เท่ากันแล้วนะจะไม่มีน้ําหนักในใจเราใจนี้เหมือนนะไปยึดอะไรก็จะหนักข้อนนั้นนะ แต่ถ้าใจเห็นความจริงว่ามัของไรสารพัดชิญญ์ทิ้งเองพวกเราใคยเคยเห็นเตาถ่านมั้งเตาที่ใช้ถ่านเคยเห็นไหมเคยยังโบราณอยู่นะถ่านไฟแดงๆสวยไหมสวยสวยถูกเด็กๆนะเด็กบางคนอนะ่ะมันเห็นถ่านไฟแดงๆสวยนะมันอยากจับผู้ใหญ่คอยห้ามเลยอย่าไปจับมันอย่าไปจับมันไม่เชือ่อ มันไปจับเข้าทีหนึ่งนะต่อไปเรียกให้จับมันไม่จับอีกแล้วเพราะอะไรเพราะมันเห็นทุกข์จิตนี่เหมือนกันนะถ้าจิตเห็นทุกข์ว่าขันนี่เหมือนทานไฟแดงๆกายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์เขาไม่จับของเขาเองเขาปล่อยของเขาเองงั้นอย่าเราอย่าไปมักง่ายนะว่น้น ก, ก็ไม่ยึดมัน่นนี่ก็ไม่ยึดมัน่นมันยังไม่เห็นทุกข์มันยึดอยู่ถ้าถ้าเห็นทุกข์เมื่อไหร่มันก็เลิกยึดไปเองไม่ต้องสั่งหรอกะ นั่นธรรมะของพระเจ้าไม่ใช่เรื่องวลีสวยๆประโยชน์สวยๆพูดแล้วฟังเพลินๆ น, นะทำแั้งพวงไม่ควรยึดมั่นจริงๆยุดนะทุกอย่างว่างนี่ก็มักง่ายนะทุกอย่างว่างเปล่าว่างเปล่าก็ไม่มีอะไรเลยเหรอไม่มีอะไรเลยเป็นวิจชาทิฏฐินะพระเจ้าสอนวสิ่งใดมีเหตุสิ่งนั้นก็เกิดสิ่งใดหมดเหตุสิ่งนั้นก็ดับ มันไม่มีมันว่างะมันว่างจากความเป็นตัวตนถาวรว่างอัตตาตัวตนถาวรไม่ใช่ว่างแต่ว่าไม่มีอะไรเลยเนี่ยมิจฉาทิฏฐิมันซ่อนอยู่ในาศาสนาพุทธเต็มไปหมดเล ย, อยสอนทำจิตให้ว่างทำจิตไม่ยึดถืออะไรเลยพูดแต่ปางมันไม่มีวิธีการที่จะไปถึงวิธีการที่จะไปถึงความปล่อยวางได้นะ ว่างจากความเป็นตัวเป็นตนได้ก็คือการเจริญปัญญานี้เจริญสติเจริญปัญญาไปเรียนรู้ความจริงของกายของใจซ้าแล้วซ้าอีกเจ็วันเจเดือนเจปีแต่ถ้าทําที่หลวงพ่อบอกนะั้นค่อยรู้สึกในกายรู้สึกในใจอย่าใจลอยหนีไปซื้อเลยถ้าไม่เพ่งกายเพ่งใจให้นิ่งแค่ค่อยรู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจเดือนเดียวก็เห็นผลแล้วนะธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่เนินชา้า นะอาศาัศจรรย์ที่สุดเลยแล้วเราจะพบว่าเพราะเราถึงประเทศเราจนคนเราจนการศึกษาไม่มากอะไรนะกแตเรามีของดีอยู่นะเรามีศาสตร์แห่งความทุกข์ทั้งคนทั้งโอกเขาก็าหวังครับว่อยากจะได้ศาสตร์ของความนทุกข์อันเนี้แต่เขาไม่รู้ว่าความทุกข์มันคืออะไรไม่รู้ว่ากายกับใจเป็นตัวทุกข์เขาไม่รู้ว่าความทุกข์เกิดจากอะไ ร, รจัดใจมันอยากมันอยากในของซึ่งมัน อยากให้ของ yeah. ซึ่งไม่เที่ยงมันเที่ยงอย่างเวลามีความรักอยากให้มีความรักนริรันดนรรู้สึกหมอยากให้มีความรักนริรันดรถ้ามีแต่งงานไปนะเราสามีเราเฝ้าเราทั้งวันเหมือนตอนเราเป็นแฟนะปวดหัวตายเลย <c oughs> มันเที่ยงเกิดไปแนะแน่ใจเราจะพิลึกอยานี้นะเราอยากให้ของไม่เที่ยงนะมันเที่ยงอยากให้ของที่เป็นทุกข์นะมันเป็นสุข อยากให้ของที่เราบังคับไม่ได้นั้นบังคับได้อย่างเราอยากบังคับคนอื่นนะไม่ไม่มีคิดจะบังคับ <S <S ตัวเองะแต่ถ้าคิดบังคับตัวเองก็เครียดไปเลยจริงๆบังคับไม่ได้เนยความไม่ฉลาดอยากให้ของไม่เทียเท่ยงมันเที่ยงอยากให้ของเป็นทุก dairy, ข์มันเดินดุกอยากให้ของที่บังคับไม่ได้นั้นบังคับได้แต่ถ้าอยอมรับทันจริงทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างเป็นทุ ก, ทกข์คือถูกบีบคั้นอยว ก็ท่านความสุขก็เป็นทุกข์ในแง่ของการทุบบีบคันความสุขอยู่ชั่วคราวนะแตกสลายอนทุกอย่างเลยก็ชั่วคราวสิ่งใดชั่วคราวสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์คือทนอยู่ไม่ได้แล้วก็สิ่งนั้นเป็นอนัตตามันมีขึ้นมาเพราะมีเหตุถ้าเหตุดับมันก็ดับก็ แ, แค่นั้นเองเรียนรู้ให้มากนะความจริงอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาของกายของใจแล้วเราจะพบ าอาสวัสดิ์อาสจริของธรรมะพี่ลิก <c oughs> มันประหลาดมันนึกไม่ถึงนะหลวงพ่อก็นึกไม่ถึงหลวงปู่ดูลย์สอนให้ดูจิตตัเอดูดูอยู่เจ็ดเดือนประเด็ น, นจิตมันสอนอุทานให้มันเมะจิตมันไม่ใช่ตัวเราธรรมะหญ่นี้ไม่เคยคิดไม่เคยนึกว่าจิตไม่ใช่ตัวเราไม่เคยรู้มาก่อนจิตมันไปเห็นจริงจิตไม่ใช่เรา ไปส่งกันบ้านกับโลงปู่หลงปูบ่บอกภาวนาเป็นและ้ะภาวนาถูกแล้วช่วยตัวเองได้แล้วให้ทำต่ออีกก็มาดูต่อไปเรื่อยนะในใจเนี่ยลึกๆมันมีความรู้สึกตลอดเวลาเลยเราไม่รู้อะไรบางอย่างาการที่เราไม่รู้อะไรบางอย่างเนี่ยทำให้เราไม่พลนจับถูกแต่ไม่รู้ว่ามันไม่รู้อะไรนะจะมาบวชมาภาวนาสองปีกว่า สามพันสาภาวนาไปได้ได้โอ้เราไม่รู้จักอริยสัจไม่รู้จักอริยสัจไม่รู้จักทุกนั่นแหละวันนี้ที่เทได้ฟังเนี่ยเลยพิจาเรื่องอริยสัจนะถ้าใครก็ถามว่าฟังหลวงพ่อประโมทพูดเรื่องอะไรให้ฟังจะได้ตอบถูก <c oughs> เพราะเวลาหลวงพ่อเทศได้ฟัง่ะถ้าไม่เคยฟังเลยฟังยากใครรู้สึกว่ายากบ้าง ใครรู้สึกว่าขนาดนี้มีความสุขบ้างนี่แหละดูจิตเป็นละจิตใจมีความสุขรู้ว่ามีความสุขยังไม่เป็นอีกห <laughs> รอเล่าไปดูเรื่อยนะเดี๋ยวความสุขก็หายไปจิตใจมีความทุกข์รู้ว่ามีความทุกข์ดูไปเรื่อยนะเดี๋ยวความทุกข์ก็หายไปจิตใจโลภจิตใจโกรธจิตใจหลงรู้ว่ามันโลภมันโกรธมันหลงนะดูไปได้เดีย๋ยวมันก็าหาย แล้วทุกอย่างก็ผ่านไปเนี่ยดูซ้ำๆง่ายแค่นี้แหละบางคนมาบอกหลวงพ่อว่าดูจิตยากต้องดูกายโถษที่ว่าดูกายดูไม่ถึงไม่ถึงรูปจริงๆนะเพราะฉะนั้นบางทีที่ว่าดูกายดูกายจะเป็นวิปัสนาดูแล้วไม่เป็นหรอกรูปที่แท้จริงผมเป็นรูปไหมผมเป็นสมมติปัญญิอะไรที่เป็นรูปธาตุดินน้ำไฟลม เห็นรูปเห็นธาตุไหมไม่เห็นเห็นแต่ผมเห็นขนเล็บฟันหนังเนืเองกระดูกเห็นไหมไม่ใช่รูปนะแต่นั้นสมมติบัญญัตินะการที่จะทะลุสมมุติบัญญัติของเส้นผมไปเห็นรูปที่แท้จริงไม่ใช่ง่ายนะไม่ใช่ง่ายส่วนดูจิตนะหมูสไตล์เลยรู้จักโกรธไหมโกรธนี้อะไโกรธนะรอบก็คือรอบนะไม่เห็นต้องแยกต่อไปเลยนี่ไม่แยกสุดจีดแล้ว เข้าถึงตัวนามมาทำที่แท้จริงแล้วง่ายขนาดนี้นะมีคนมาเตียงหลวงพ่อไหที่หลวงพ่อสอนใหม่ๆนะว่าดูจิตยากต้องดูกายออกไหนลองดูให้ดูสิเอาเลย <c oughs> <c oughs> นันไม่ได้ดูกายแล้วนั่นปเป็เท่งลมหายใจหลวงพ่อทำได้ตั้งแต่เจ็ดขวบนะไม่เห็นมันจะบรรลุอะไรเลยนะรู้ไหมในลมหายใจของเรามีธาตุไฟอยู่ธาตุไฟไม่เทียง เวลาลมหายใจเข้าอุณหภูมิของมันน้อยหายใจออกมันร้อนขึ้นใช่ไหมธาตุไฟในลมหายใจนี่ไม่เชี่ยนในลมหายใจมีธาตุน้ําแต่ไม่ใช่ไอายน้ํานะในไอายน้ํามันมีทั้งธาตุติดน้ําไฟลมอีกทงในลมหายใจมีธาตุน้ําน้ําคืออะไรคําว่าน้นําในความหมายของศาสนาพุทธนะแรงดูดแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุล ในลมหายใจนี่มีแรงดึงดูดไหมมีนะแต่มันน้อยเพราะมันกระจายตัวไปเร็วนะในลมหายใจมีมวลไหมชั่งน้ำหนักได้ไหมมีชั่งได้มีมวลนะแั่นท่าดินมันแข็งบ้างอ่อนบ้างแต่ทาดินมีน้อยมันเลยอ่อนนะมันมีความเคลื่อนไหวไหมมีความเคลื่อนไหวสิ่งที่เคลื่อนไหวนะเรียกว่าท่าลม นะงั้นในแก้วน้ำเนี้ยมีธาตุลมไหมมีนะครั้งหนึ่งหลวงพ่อไปนั่งอยู่กับหลวงปู่ดุลหลวงปู่ดุลไอยู่ตั้งเกือบร้อยไม่ได้เรียนหนังสืออย่างพวกเราวันหนึ่งท่านก็พูดขึ้นมาให้ฟังท่านชี้ไปที่พื้นบอกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามล้วนแต่เคลื่อนไหว เรากมงงให้เราเคยเรียนวิทยาศาสตร์สมัยโบราณบอกสิ่งไม่มีชีวิตมันเคลื่อนไหวไม่ได้บอกถ้ามันเคลื่อนไหวไม่ได้นั่มันจะไม่เก่ามันจะไม่แตกสลายมันเคลื่อนอยู่ตลอดเวลามันหมุนอยู่ตลอดเวลาภายในทาไมมันหมุนได้มันมีทัดหลมมีช่องว่างมีสเปซมีอะไรงั้นที่พวกเราบอกว่าดูกายแล้วเห็นรูปเนยมันดูแต่กายเห็นแต่สมมติบัญญัติ รูปที่มารวมกันเป็นกลุ่มๆแล้วอันนี้เรียกว่าผมเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนั่นไม่ใช่ตัวรูปที่แท้จริงเราลองเอามือกดที่พื้นก็แล้วลองจับแขนเราดูเราจับตัวอย่างนั้นยากลองเปล่งมือใช่หรือเปล่งมือแล้วลองสัมผัสดูมันแข็งไหมลองคลายมือออกไม่เกลง็งมันนิ่มขึ้นไหมเนี่ยอันนี้ธาตุดินมันเปลี่ยนะ ถ้าดินมันเปลี่ยนถ้าดินมันมากมันก็แข็งถ้าดินมันน้อยมันก็นิ่มดูยากนะคือถ้าจิตไม่โซงสมาธิจริงๆดูาธาตุเนี้ยทางดูกายเนี่ยยากมากเลยบางคนบอกว่าดูกายง่ายนะแต่ความรู้สึกเนี่ยเป็นปรมัตา ธ, ธรรมอยู่แล้วสุกขทุกข์ดีชั่วเนี่ยเป็นปรมัตา ธ, ธรรมอยู่แล้วไม่ใช่บัญญัติคนไทยโกรธหรือฝรั่งโกรธความรู้สึกเหมือนกันนะ เป็กันคนจีนโกรธก็เหมือนกันนีเป็นตัวปรมามัตธรรมในการทําวิปัสสนานะเรียนขึ้มาให้เห็นตัวปรมาธธรมัต ธ, ธรรมปรามัตธรรมสั่งจิต ง, ง่ายที่สุดแหละมีคนเถียงหลวงพ่อตอนสอนใหม่ๆว่ายากหลวงพ่อเรียกเด็กบาคนหนึ่งกลรธเป็นไหมรู้จักไหมเป็นอยากเป็นไหมเป็นดีใจเป็นไหมเป็นเราบอกแล้วมันยากตรงไหนวะนะ มันถ้ารู้ว่าอยู่ทนโทษอยู่ต่อหน้าต่อตาแล้วใช่ไหมเห็นไหมว่าโกรธก็ชั่วคราวไม่ต่างกันนิดเดียวคนส่วนใหญ่เวลาโกรธจะไปสนใจคนอื่นที่ทําให้เราโกรธนึ่ออกไหมเราชาวพุทธเวลาโกรธขึ้นมาเราไม่ไปดูคนที่ทําให้เราโกรธนะเรารู้ทันว่าความโกรธกาลังเกิดขึ้นในใจนี้แค่นี้เอง น, นี่แหละคือการเรียนรู้ตัวเองเวลาคนทั่วไปเขามีความรักเขาก็ไปมองคนที่เขารัก เขาไปมองของที่เขาชอบที่เขาอยากได้เรารู้ทันว่าใจกําลังล้มอยู่ใจกําลังอยากอยู่แค่นี้เองแล้วอนะไรเออเห็นว่ามันอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็หายไปง่าง่ายๆแค่นี้แหละง่ายไหมง่ายถ้าใครบอกว่ายากนะผมก็บอกเราพูดเดินบอกการปฏิบัติไม่ยากยากแค่เพราะพวกไม่ปฏิบัติพวกไม่ปฏิบัติมีสองพวกพวกคิดเอาคิดอย่างเดียวเลย พวกน้ำปรับยาชิดนออีกพวกหนึ่งพวกเพ่งน้อแทนที่จะดูกายทาความเป็นจริงดูใจทางความเป็นจริงแล้วก็เพ่งกายถือเนี่ยนะเ็เห็นไหมจะกินข้าวทีน ะ, นะามากินกับเราแล้วเรากินหมดแล้วง่า ย, ายๆถูกไ่ตคิดอะไรมากมีความสุขรู้สึกไหม แต่หลงรู้สึกไหมห <c oughs> ลงไม่ออย่ากคำว่าหลงสนุกนะี <c oughs> ใจมันดีไปที่ลืมตัวเองเมื่อไหร่ลืมกายเมื่อไหร่ลืมใจเพราะนั้นหลงเมื่อไหร่รู้สึกกายเมื่อ่ไหร่ ร, รู้สึกใจะมีสติอยู่มีสติรู้สึกอยู่ในกายมีสติรู้สึกอยู่ในใจดูกายทํางานดูใจทํางานเห็นแต่ความเปลี่ยนแปลง น, นั่นแหละการเจริญปัญญาล่ะ ถ้าจเจริญปัญญาพอจิตจะปล่อยเขาปล่อยของเขาเองนะไม่ยากนะมัน่เทศหลวงพ่อนานๆจะเทศง่ายอย่างนี้สุดทีเดีว <laughs> คนบ่นแล้วอยู่ที่วัดเทศยากอยู่ที่สวนสันติธรรมไปฟังซีดีแล้วจะพบว่ายากมากเลยนี่หลวงพ่อคนมาแจกไม่ไหวทำวิดีโอเป็นชุดเลยแต่ว่ามันหนักมากเป็นกล่องโตอั น, น้นจะเป็นเทศที่น่นที่นี่นะ แล้ก็ถ่ายถ่ายเขาถ่ายไว้มารวมรวมเวลาเทสนอกสถานที่เนี่ยจะเทศง่ายเทศที่วัดจะยากเลยใจลอยอีกแล้วรู้สึกไหมแต่สังเกตไหมใจลอยตอนนี้กับต่เกียไม่เหมือนกันตอนนี้ใจลอยนะแต่ไม่ฟุ้งซ่านมันสงบกว่าเมื่อกี้รู้สึกไหมนะรู้สึกสังเกตไหมใจเราเริ่มแน่นๆเริ่มแน่นขึ้นนะ้ เนี่ยพพยายามจะรู้สึกตัวมัน ก, ก็จะแน่นนะอ่ะมันจะแน่นแค่นใจเราเบาเราก็รู้ใจเราแน่นเราก็รู้เห็นไหมเบาก็มีเหตุใช่ไหมแน่นก็มีเหตุแน่นเพราะโลกอยากปฏิบัติอยากดีอยากรู้สึกตลอดเวลาแน่นง่ายๆแค่นี้แหละเพราะความรู้สึกนั้นทุกคนรู้สึกได้อยู่แล้วแต่ละเลยที่จะรู้ การปฏิบัติธรรมนั้นทุกคนปฏิบัติได้อยู่แล้วแต่ละเลยที่จะปฏิบัติใครรู้สึกเท็แค่นี้ก็พอแล้วล่ ะ, ะวันนี้ใครมีอะไรจะคุยเชิญสังเกตไหมว่าใจหนีไปหมดแล้วนะ <c oughs> <c oughs> ใจปุ๊บๆุไปเลยนี่แหละคนในโลกเต็มไปด้วยความหลงหลงตลอดเราไม่ใช่ชาวพุทธแท้นะ ชาวพุทธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ใช่ผู้หลงผู้เคลิ้มเลินพยายามรู้สึกตัวนะใกล้สมเป็นชาวพุทธแท้ๆจริงๆศาสนาพุทธนะถ้าไปเอานิยามคําว่าศาสนาของฝรัง่งมาใช้เร า, าไม่ใช่ศาสนาเราไม่ใช่ลัทธิความเชื่อไม่ใช่อะไรอะแต่มันเป็นศาสตร์อันหนึง่งที่จะเรียนรู้ตัวเองเจงกระทั่งจิตใจมัฉลาดมันไม่ทุกตา น, นั้นนะ น่าเชิญต้องมีจับฉลากด้วยดีจริงสนุกแล้วมีจับฉลากให้ใครตอบมั้ยนั่ไม่ไม่แฟเลย้ว่ามาอยู่ไหนล่ะพวกเรามีโอกาสเยอะกว่าคนในเมืองไทยนะเพราะว่าเวลาหลวพ่อเทศเนี่ย คนเยอะกว่านี้ที่นี่มีนิดเดียวคือส่งมาบ้านครั้งสุดท้ายเมื่อสามปีที่แล้วนะคะแล้วก็หลวงพ่อบอกว่าคือติดสมถะ ม, ม, มานานสิบปีแล้วก็หลวงพ่อบอกว่าจิตใจเริ่มว่วงไวขึ้นแล้วแล้วก็ระหว่างนี้ก็คือพยายามที่จะละสมถมะคะคะสมถะอย่าไปละเ ม, ม, มืนนะเสร็จแล้วทีนี้ช่วงหลังๆเนี่ยเริ่มไม่มีแรงก็เลยไม่ได้กลับมาทําตรงๆำแต่ทนี้ช่วงนี้เนี่ยจะมีอ มีอารมณ์เออ่จะมีสิ่งที่มาเร่าเยอะอะค่ะเพราะว่าเป็นช่วงที่กําลังหางานแล้วก็จะรู้สึกเลยว่าในแต่ละวันเนี้จะมีความรู้สึกไม่เหมือนกันอืทั้งๆที่ไม่มีตัวเล่งอะไรเลยบางวันนี้จะรู้สึกเศร้าอสันนี้มันจะเริ่มสั้นลงจากวันเนี้ยเป็นครึ่วงวันแล้วก็เริ่มเปลี่ยนเป็นทีละชั่วโมงแล้วก็จะเริ่มรู้สึกเศร้าสั้นลงเรื่อยๆอะค่ะคือต่อไปนะเวลาความเศร้าโศก ความทุกข์ความกังวลอะไรเกิดเนี้สติะระลึกก็ไม่ขาดเลยแล้วคราวนี้เราจะเหลือการใช้ชีวิตที่มีเหตุผลนะอย่างความเศร้าโศกเสียใจทั้งหลายนี่ยเป็นส่วนเกินของชีวิตมันเกิดขึ้นมามันไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลยนะมีแต่บัทอนเรามากขึ้นนั่นอย่าไปกังวลมันนะมีปัญหาก็ค่อยๆแก้ไปค่ะแล้วก็คือตอนมันก็มีจะเป็นช่งชวงๆที่จะเห็นว่าตอนที่ คามเาหรือความทุกข์ที่เข้ามาเนี่ยมันเห็นแยกออกจากตัวเองอตัวเองเนี่ยนั่งมองความทุกข์อยู่แล้วว่าตัวเรานี่ไม่ได้รู้สึกอืตอนที่เห็นตัวเองแยกออกมาเนี่ยจิตใจเหมือนขณะนี้ไหมตอนนี้เหรอคะไม่อะคะถ้าเหมือนอย่างนี้ไม่ได้นะถ้าเมือนอย่างนี้แข็งไปเพราะว่าตื่นเต้นก็ไปบีบเหมือนไว้แล้วก็รู้ว่าไปสบายๆเห็นใจมันทุกข์ใจเราเป็นคนดู ต่ไปก็รู้เลยไอตัวที่ถูกก็ไม่ใช่เรานะเป็นแค่ความรู้สึกที่ไหลมาไหลไปปัญหาเป็นสิ่งที่คู่กับทุกๆชีวิตนะเราจะมีปัญหาในชีวิตเนี่ยเกิดตลอดเวลาแต่ความทุกข์เนี่ยเป็นส่วนเกินของชีวิตมันทุกข์ขึ้นมาเพราะใจของเราเวลาเจอปัญหาเนี่ยเราไม่ชอบเรา อ, อยากให้หายไปมีความอยากขึ้นมาปุ๊บมันทุกข์เลยแล้วความอยากที่เกิดขึ้นความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้ช่วยแก้ปัญหา มันบันทอนพลังในการแก้ปัญหาด้วยซ้าไปเพราะ้นเราอย่าไปจมกับความทุกเนาะให้เหลือแต่ปัญหาแต่ไม่มีความทุกข์ค่ะแล้วตอนนี้ก็พยายามทํำสมาธิทุกวันนะคะวันะเล็กละน้อยตามจังต้องทําไม่ทําไม่ได้นะที่หลวงพ่อบอกบางคนให้หยุดการทําสมาธิไว้ก่อนนะเพราะเป็นติดเพ่งติดนิ่งอยู่กันกี่ปีกี่ปีมันนิ่งถ้าย่งไม่เดินปัญญาก็ปล่อยให้มันทํางาน แต่ว่าพอมันทำงานไปแล้วเราไม่ไม่ไมให้จิตได้เข้าพักในสมาธิเลยนะมันจะฟุ้งซ่านหมดแรงถึงเวลาก็ต้องกลับเข้าพักบ้างแต่ไม่ได้พักลรวก็ติดอยู่ในความสงบมุ่งเอาความสงบเป็นเป้าหมายของชีวิตแค่นั้นไม่พอ แล้วช่วงเดินหน้าเนี่ยอาจจะได้อ่าไปปฏิบัติยาวๆสักเจ็ดวันอะไรเงี้ยค่ะไม่ทราบว่าหลวงพ่อมีอะไระนะก็<ด>มีสติอยู่นะจะ ก, กี่วันก็ตามอนะ่ะทุกๆวันเราก็มีสติรู้สึกตัวเรื่อยๆร่างกายหายใจรู้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้จิตใจสุขจิตใจทุกข์จิตใจดีจดิตใจร้ายคอยรู้เรืนะ่อยๆไปยาวแต่คิดนะสิ่งที่ผิดมีแค่สองอย่างคิด ไปเรื่อยๆลืมตัวเองพอคิดถึงการปฏิบัติก็เพง่งบังคับกายให้นิ่งบังคับจิตให้นิ่งไม่มีสองอันตรงที่ปล่อยหลงไปในโลกของความคิดเนี่ยหย่อนเกินไปตรงที่บังคับกายบังคับใจเอาไว้เนี่ยตึงเกินไปนี่แนหะความสุดตรงสองข้างตรงที่รู้ทันจิตที่หนีไปคิดตัวนั้นจะพอดีเอจิตเราหนีไปคิดทั้งวันนะรู้สึกไหมมีเคล็ดลับง่ายๆนะที่พวกเราจะฝึก ให้รู้ทันเวลาจิตนี้ไปคิดเร็วๆจิตนีไปคิดแล้วเรารู้เร็ววิธีที่ง่ายๆนะเช่นเราหัดทากรรมาฐานสักอย่างหนึ่งท่องพุโทโธพุธโทโธในใจก็ได้หรือรู้ร่างกายเห็นเห็นร่างกายหายใจก็ได้นะรู้ความเคลื่อนไหวของร่างกายใส่ยลงภาพเทียนเขาเคลื่อนไปรู้แล้วคอยรู้ทันจิตว่ามันหนีไปคิด เหนพุทโธพุทโธจิตนีไปคิดก็รู้หายใจอยู่จิตนีไปคิดก็รู้ดูท้องฟองยุบอยู่จิตนี้ไปคิดก็รู้ร ก, รการที่เราคอยรู้ทางจิตที่หนีไปคิดบ่อยๆนะต่อไปพอมันไหลไปคิดแวบนะสติเกิดเองเลยมันจะไม่หลงนานความทุกข์ทางใจทั้งหมดนะเกิดตอนที่จิตหลงไปคิดเท่านั้นเลยถ้ารู้สึกตัวอยู่ความทุกข์ทางใจจะไม่มีแตกนะแตกแต่จิง แล้วไงจบยังบออจบแล้วเจ้คนข้างๆปกติยงไม่ได้ไปปฏิบัติไม่มีครูบาอาจารย์ก็จะเคยฟังแต่วิทยุแล้วก็อ่านนะคะนี่ก็ไม่ไม่แน่ใจว่าตัวเองปฏิบัติถูกหรือเปล่าโดยทั่วไปทุกคนอาจจะจับลมหายใจแต่ตัวเองจะจับอยู่ที่มือที่ประสานกัน ก็จะ<ด>นั่งไปนานๆเนี่ยรู้สึกบางส่วนของร่างกายเนี่ยหายไปแต่ว่าไม่หายไปทั้งหมดทั้งร่างกายไม่แน่ใจว่าปฏิบัติถูกไหมด้มอย่างนั้ น, นได้สมาธินะทําสมสถจะจิตสงบบางที่ร่างกายหายเป็นส่วนๆไปต่อไปนี้เวลามาอยู่ในชีวิตจริงเนี่ยมาเจริญสติในชีวิตประจำวั น, นให้ยกขึ้นอยากเห็นคนนี้แล้วหงุ ด, งดหงิดความหงุดหงิดเกิดปล่อยไหม บางครั้งทันกะมันกันไม่ได้แล้ไม่ไม่ต้องทันหรือไม่ทันไม่ไมไมไมสําคัญนะนะอเอาแค่ว่าใจมันหงุดหงิดขึ้นมารู้ทนันะเดี๋ยวหงุดหงิดอีกรู้อีกนะของโยมเนี่ยดู <ๆ S 2> ไม่ยาก ห, หรอกเพราะมันขี้หงุดห ง, งิดเพราหงุดหงิดถ้าเรารู้แล้วมันจะสลายตัวไปเดี๋ยวมันมาอีกก็รู้อีกนะอย่างนี้เราเรียกว่าเราจเจริญปัญญาอยู่คือท้ายเราจะเห็นเลยทั้งวันจิตมี2อย่างคื้จิตที่หงุดหงิดกับจิตที่ไม่หงุดหงิด นะมีจะมีอย่างนี้นจะเห็นเลยจิตที่หงุดหงิดอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายจิตที่สบายอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายนะนี่แหละเรียกว่าเจริญปัญญาสุดท้ายก็จะเห็นว่าทุกอย่างอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปนะส่วนการที่โยมนั่งสมาธิร่างกายหายเป็นส่วนๆเลยก็ทำต่อไปไม่เสียหายอะไรนะ ไ, ดได้ได้พักผ่อนทางจิตเก่งนะ่ีทีนี้ถ้าเราต้องการควรจะ มีความก้าวหน้าควรจะจับจิตยังไงหรือว่าก็นั่งไปอย่างไง น, นะคะไอ้ตอนนั่งก็นั่งไปนะอ้นั้นไม่ไม่เกิดตัญญาหรอกนั่งทําสมาธิทําให้จิตใจได้พักผ่อนตัวสําคัญตอนที่อยู่ในชีวิตประจําวันเนี้ยตาหูจมูกลิ้นแก่ยใจกระทบอารมณ์เนี้ยคอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตไว้ตัวนี้แหละสําสคัญนักสกัดค่ะแต่ว่าไม่มีคําถามแล้วนักสกัดคำถามที่เดี๋ยจะถามหลวงพ่อหลวงพ่อเพิ่งตอไปเมื่อกี้อะค่ะเรื่ เรื่องให้ดูความคิดนะคะคือหนูใช้อุบายใช้คำบริกรรมอะค่ะแต่ว่าบางทีบริกรรมแล้วมันก็ยังคิดอยู่แล้วหนูรู้สึกว่าจิตหนูมันเพลินกับความคิดนะคะและ้วก็ค อ, คอยดูไปนะอย่างจิตเราเครียดง่ายนะมันจะมีความเครียดเกิดขึด้นได้เรื่อยๆแล้ไม่เครียดขึ้นมา ก, กว่ารู้ทันจิตไหลไปคิดเราไม่ห้ามนะถ้าไปห้ามมันยิ่งเครียดกว่าเก่าอีก ร่าจิตไหลไปคิดรู้ทันจิตเครียดขึ้นมารู้ทันรู้บ่อยๆจะเห็นเลยว่าจิตที่เครียดขึ้นมานะั้อยู่ช่วคราวแล้วก็หายไปไม่ต้องไปฝึกให้มันหายนะเราฝึกเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจไม่ใช่ฝึกเพื่อบังคับกายบังคับใจเพราะว่ามันเครียดขึ้นมารู้ทันแล้วมันก็หายเดี๋ยวมันมาใหม่ก็ดูใหม่ เออเห็นกายรู้สึกไหมหัวใจมันเต้นเองเราเป็นแค่คนดูเห็นไหมร่างกายไปยักหน้าใจเราเป็นคนดูเออดูไปได้ดูเหมือนดูคนอื่นอ่ะก็ปฏิบัติสบายๆนะอป่าเช่นเครียด คอรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวอย่างนี้หัวใจเป็นเคลื่อนไหวเราก็เป็นแค่คนดูใจเราเป็นคนดูอย see, ู human, ่สบายๆเราจะเห็นได้มันมันเต้นของมันเองเราเป็นคนดูไม่เกี่ยวกันหรอกเห็นไ้ยร่างกายพยักหน้าอ๋อใช่ดูไปเราก็เห็นหน้าหัวใจก็ไม่ใช่ตัวเรานะมันเต้นเองหรือเราเห็นร่างกายไปยักหน้าเอมันพยักหน้าได้เองนะมันไม่ใช่ตัวเราหรอก สงสัตกใจนีไปแล้วอับสการหลวพ่อครับคือฝึกมาสามปีสองปีครึ่งครับแล้วก็สองครั้งนี้ส่งกับบดครั้งแรกตื่นเต้น <c oughs> ตอนฝึก ช, ช่วงแรกก็กรู้ว่าจิตใจมันเปลี่ยนไปรู้ว่าขัดมันแยกชะกัน เห็นเห็นเวทนาแยกออกมาแล้วก็เวลาเวลาเราโกรธเนี่ยมันขึ้นมาจากตรงหน้าอกแล้วมันก็ตัเลยแล้วมันก็ตัดไปโดนตุ้มเตสเลยแล้วทีนี้ทําไปนานๆมันเจริญปัญญาไปได้เยอะมันมันก็เสื่อมไปเลยอะไรนะมันก็หายไปเลยก็เป็นหายไปไปนานเลยแล้วก็เราก็มาฟังผมก็มาฟังหลวงพ่อใหม่ว่าที่มันเป็นอะไรแล้วก็มาดูว่าเออ มันเหมือนกับว่ามันรู้อยู่ตรงหน้าหน้าที่เหมือนเพราะว่าอึง ม, มันรู้รู้ออกนอกแล้วก็เพราะว่าเราเราขาดสมถะก็ก็เลยทําสมถะเพิ่มเข้าไปแล้วแล้วก็เหมือนเมื่อคืนก็ตั้งสมาธิแล้วก็เดินจงกรมก็เห็นว่ามือมือมันไม่ใช่เราก็ก็อยา ก, ากํามหลวงพ่อว่า ทำอย่างนถูกต้องไหมครับถูกสินะต้องทํำบ่อยๆทําถูกแล้วมีอะไรต้องเพิ่เติมไหมครับคือตอนนี้จิตผิดปกติรูไ้ไหมเป็นล็อกอยู่เต้นๆเป็นล็อกปล่อยเลยนะปล่อยให้มันทํางานตื่นเต้นก็แค่ดูมันนะจิตตื่นเต้นแล้วรู้ว่ามันเป็นเต้นจิตหนีวิคิดรู้ว่ามันหนีวิคิดมันหนีไปคิดดูออกไหมเมื่อกี้เห็นครับ นะคอรู้ทันไหลไปไหลไมคิดอล้จิตไหลไปคิดงี้นเราก็รู้ทันก็รู้สึกสบายดูร่างกายเป็นฐานไว้เห็นร่างกายเคลื่อนไหวดูกายเคลื่อนไหวไปเยชอนใจมันไหวตัวไปนะไม่จะเห็นเองครับมากครับเริ่มตแต่ปฏิบัติมารู้สึกว่าติดิ ถูกน่จะถูกสมะถะแต่แบนี้นะอย่าไปบังคัให้มันนิ่งนะออกมากระทบอารมไปให้ตามองเห็นหูได้ยินเสียงอะไรเนี่ยแต่อย่าไปตรึงจิตให้นิ่งๆปล่อยให้มันกระทบแล้วให้เกิดปฏิกิริยามีฟีดแบคกไปตามธรรมชาตินะถ้าเรามีสติคอยรู้ทันถ้าไปตรึงความรู้สึกไวล้วาจอ ยัมีนิ่งอย่างเงี้ น, นะแล้วค้างอยู่เงี้ยเป็นปีๆก็อยู่อย่างนั้นแหละว่มีวิหารธรอะไรหลวงพ่อเหรว่ามีวิธีแนะนำ <c oughs> ที่ะทถนัดดูกายนะถนัดกายอยู่แล้วล่ะแต่ว่าเวลาดูกายไม่ไปถึงให้จิตนิ่งก็แค่เห็นร่างกายมันหายใจร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเราเป็นคนดูที่เพิ่มขึ้นมาก็คือมีใจเป็นคนดู พวกที่ดูกายแล้วไปไม่ไหวนะเพราะว่าไม่มีใจเป็นคนดูการดูกายที่ถูกต้องให้เห็นกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูสบายๆตัวนี้ตัวใจเราก็ไม่รักษาให้นิ่งนะให้ให้รู้สึกอยู่แค่รู้สึกว่ามันมีอยู่อย่าไปจ้องใส่มันถ้าจ้องมันเป็นสมถะอีกแบบหนึ่งจิตนี้ไปคิดทราบไหมเวลาจิตนี้ไปคิดนะจิตไหลไปคิดนะแล้วก็จะรู้สึกจะรู้สึกใจไม่จะโล่งโปร่งขึ้นมานะ จะก็เห็นร่างกายเป็นทํางานต่อไปใจเราเป็นคนดูสบายสบายไม่ทิ้งคำว่าสบายถ้าปฏิบัติถูกนะมีความสบายอยู่นะใจที่เป็นคนดูมีความสุขอยู่ชาวพุทธไม่เครียดนะสมัยพุทธกาลมีคนหนึ่งไปเฝ้าพรพุทธเจ้าแล้วเดินเข้าไปในวัดเดินผ่านกุฏิพระไปเยอะเลยโดยพระพุทธเจ้าก็บอกอศัศจรรย์พระเจ้าข้า สาวกของพระองค์สงบแต่ร่าเริงสงบแต่ร่าเริ ง, ง, เรงไม่ใช่สงบ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ร่าเริงกระดีกระดาสงบแต่ร่าเริงถ้าเรารู้จากความเป็นพุท ธ, ธนะนั้นเราเรจากควาว่าสงบแล้วก็ร่าเริงไม่หงอยห <c oughs> ง, อ ย, งอยใช้ไม่ได้จิต ท, ที่หงอยหงอยจิตมีกิเลส จริงค่ะหลวงพ่อก็ฟังหลวงพ่อมานานนะคะก็ดู้ไดความโกรธของตัวเองอะคะ่ะที น, นี้อยากจะขอหลักหลวงพ่อว่าแบบว่าแล้วตอนที่เราจะรู้ได้ยงไงว่ามันพัฒนาไปถึงขั้นยังไงอะคะ่ะคือว่าสมมุติมันมีความโกรธขึ้นมาเราจับได้ปุ๊บมันหายไปแต่มันเป็นจุดแต่ว่าปื๊นมันก็ไปโกรธอีกแล้วมันอีกทีนึงมันหายไปเลยเห็นไหมม้มา ตัว อ, อย่างเป็นของชั่วคราวจิต ท, ที่โกรธก็ชั่วคราวจิต ท, ที่รู้สึกเพก็ชั่วคราวจิต ท, ที่หลงหายไปเพก็ชั่วคราวรู้ตอนที่มันหายไปแล้วแบบเออมันก็หายไปแล้วจริงๆตงแต่ว่าที่แต่ว่าตรงที่ว่าโกรธไปจับได้แต่ว่ามันมันจะมีจุดจุดเป็นโกรธไปเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะแล้วเพราะอะไรก็เหตุของความโกรธมันยังอยู่เราไม่ได้ดูเพื่อทําลายความโกรธนะ เราจะดูจะรู้เลยว่าทุกอย่างมาจากเหตุอย่างการกระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจการตรึกอยู่ในอารมณ์ที่ไม่พอใจยังมีอยู่ความโกรธ ก, ก็ยังอยู่เราบังคับไม่ได้แต่ว่าก็ไม่เห็นเหตุคือรู้ว่าเป็นโกรธแต่ว่าเหตุตรงนั้นคืออะไรก็ไม่ทราบไม่เป็นไรนะรไม่เป็นไรที่ฝึกอยู่ใช้ได้แล้วนะสังเกตหรือเปล่าว่าร่างกายกับจิตเป็นคนละอันกันรอดออไหมอันเนี้ยสังเกตหรือเปล่าเอาเป็นว่า รู้ว่าบังคับอะไรไม่ได้เลยเออนั่นแหละนะสังเกตเลยเปล่าเห็นไหม <ฮะ S 1> ความโลภความโกรธความหลงอะไรเนี่ยกับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันสังเกตไมอย่างความโกรธมันมาแล้วหายไปจิตเป็นคนดูอยู่คนละอันกันการที่เราเห็นมันเป็นคนละอันกันเนี่ยเรียกว่าเราแยกขันได้อย่างเราเห็นร่างกายก็เป็นอันหนึ่งใจเราเป็นคนดูอยู่อีกอันหนึ่งก็แยกรูปนามออกจากกัน แล้วตัวนามธรรมทั้งหลายตัวความรู้สึกทั้งหลายนะความสุขความทุกข์กับจิตนั่นก็โคละอันกันอย่างเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันความทุกข์หายไปนั้นจิตจะเป็นคนดูความทุกข์กับจิตเมืองนี้มีรถไฟด้วยมันเป็นคนละนกันหัดดูเรื่อยๆจนเห็นขันแต่ละขันนะเป็นโคนละอันกันแล้วแต่ละอันแต่ละอันจะไม่ใช่ตัวเรา คือนี่สำคัญนะคือถ้าเราแยกธาตุแยกขันไม่เป็นเราก็รู้สึกมีตัวเราอยู่ก้อนหนึ่งเป็นตัวเราอยู่แค่เนี้ยแต่ถ้าแยกเป็นอายะรูร่างกายก็ส่วนร่างกายควา ม, ม, มสุขทุกส่วนความสุขทุกคู่ส่วนส่วนคูค่ส่ะส่วนจิตส่วนจิตเป็นคนดูถ้าแยกออกจากกันแล้วจะไม่มีตัวเราตรงไหนเลยที่ฝึกอยู่ใช้ได้แล้วล่ะแต่พูดไม่เป็นเท่านั้นแหละขอบคุณค่ะเดี๋ยวพ่อปลดเฟอร์นิเจอร์นะย ชักหลอนละนึกจาแต่ว่าจริงๆไม่อยากให้เอ่ยชื่อเขาเพไม่งั้นหลพอวิจารไม่ได้ละมันไม่เสียมารยาทคือเขาเขาแบ่งเป็นสองส่วน่่ก็คืออาณาปใช่ที่สองก็คือวิปัสสนาดูเวทนาเวทนาอร่างกายทีนี้ บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเวทนาถ้าสมมติว่าถ้ามันเกิดที่จิตใจเนี่ยเวทบางทีแบบว่าสังขารเก่าขุดขึ้นมานอะไีม้มันก็จะมาปรากฏที่ร่างกายแล้วถ้าสมมติเราทําใจให้มันเป็นกลางงั้นมันก็เป็นการกํำจัดวิเลยหรือสังขารอะไรอืมทีนี้อ่อมันก็คล้ายๆกับหลวงพ่อใช่ไหมคะคิดว่ามันก็หลักหลักที่พุทเจ้าสอนนั่นแหะใช่ไทําไมก็ต้องไปทําอานาปนาสติก่อนเพรากายานุปัสนาเวทนานุปัสนาเนี่ย เหมาะกับสมถะญาณิกมเหมาะกับคนทำสมาธิถ้าไม่ทำสมาธิก่อนไปดูเวทนาก็สติแตกเลยเจ็บทนไม่ไหวนะนึกว่ารถไฟวิ่งเข้ามาแค่ทำสมาธิก่อนเนี่ยนะแต่ต้องทำให้เป็นทำเพื่อฝึกให้จิตเป็นคนดูให้ได้เคล็ดรับอยู่เท่านี้เอง ไม่ให้ทสมาธิเพื่อให้จิตนิง่งแต่ทําสมาธิจนจิตมันถอนตัวมาเป็นคนดูพอจิตมันถอนตัวมาเป็นคนดูได้นะั้นดูลงในกายในเวทนาจะเห็นว่ากายก็อยู่ส่วนกายเวทนาก็อยู่ส่วนเวทนาจิตก็อยู่ส่วนจิตถ้าฝึกอย่างนี้ได้ก็ไปต่อได้แต่ถ้าไปทําจิตให้นิง่งแล้วไปทนดูเวทนาลุ้นเมื่อเมื่อไรเวทนาจะหายอันนี้ไม่ใช่วิปัสสนาละแต่่คมมีววาา นอนตอนที่นอนอว่าตอนมันมีควาสิาว่าเวทนามีอยู่ตลอดอนน่านะมันอะไรนะมันไม่หยุดค่ะนั่นแหละนั่นแหละเขาต้องการให้เห็นอย่างนั้นนะเพราะมันไม่เที่ยงมันบังคับไม่ได้แต่ที่เราไปดูเวทนาเ น, นี่ยเราหวังว่าวันหนึ่งเราจะ บ, บังคับเวทนานได้อันนี้ตั้งเป้าไว้ผิดนะเราดูเพื่อให้เห็นว่าร่างกายก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา เวทนาก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าดูเราเข้ามาตรงนี้น้ำก็ไปหลักเดียวกันหมดเลยคือเห็นขันทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพียงแตเอาเวทนาเป็นตัวหลักนี่ก็จะเวทนากับกายเป็นตัวหลักได้จ mm. mm. ิตต้องมีสมาธิมากพอเพราะเขาทำอานาปานสติก่อนก็ถูกของเขาแหละแต่ถ้าดูจิตเป็นหลักนะอย่าไปเริ่มจากสมาธิถ้าดูจิตเป็นหลักเนี่ยใช้สมาธิที่ไม่มาก ถ้าใช้สมาธิมากทำสมาธิเลือกลงไปเนี้ยจะไม่มีอะไรให้ดูเลยมันจะว่างๆไปแต่ว่าถ้าใช้จิตใจอย่างพวกเราธรรมดาเนียตามองเห็นความรู้สึกก็เปลี่ยนหูได้ยินเสียงความรู้สึกก็เปลี่ยนมันถึงจะเห็นใจละงั้นดูกายดูเวทนาเนียหมวดหนึ่งถ้าเรียวกว่าเหมาะกับสมถะญาณิธรรมชาญก่อน สิตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนานะเหมาะ ก, กับวิปาาัสสนาญาณิสเดินปัญญาไปก่อนแลวิปัสสนาแล้วสมาธิเกิดทีหลังมันมีหลายทางาเนี่ยพระเจ้าท่านถึงเป็นธรรมราชาเป็นผู้จําแนกแจกธรรมธรรมะที่ท่านแจกแจงไว้นะั้นหลากหลายมากเลยเพราะจริตในใิสัยของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะมันไม่มีธรรมะอะไรที่ว่าดีที่สุดหรอกมันมีธรรมะที่วอันไหนเหมาะกับเรานะฮะ แล้วสิ่งที่เหมาะกับเราอาจจะไม่เหมาะกับเพื่อนเรางั้นอย่าพิยัดเยียดธรรมะที่เราทําให้กับเพื่อนเรานะเรากลายไปว่ามันเหมาะกับเราอ่ะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เหมาะกับเขาทางใครทางมันแต่ว่าต้องอยู่ในหลักที่พระเจ้าสอนแต่ต้องตั้งเป้าให้ถูกว่าไม่ใช่ทําเพื่อเอาชนะเวทนาะแต่ทําเพื่อให้เห็นว่าขันทั้งหลายเนี่เป็นไตรลักษณ์ในี่ยถึงจะปล่อยวางถ้าทําแล้วเอาชนะเวทนานจะกลายเป็นกูเก่งขึ้นมา มีหลายคนนั่งสมาธินะตั้งใจไว้จะนั่งโตรุ่งปวดยังไงก็ทนนั่งนะนั่งยันสว่างได้จริงๆเลยสุดท้ายกูเก่งเลยแทนที่จะเห็นว่ากูไม่มีนี่ <c oughs> เป้าหมายเนียชัดเจนนะน้น <c oughs> เราลงมือทําไปแบบเดียวกันนะนะ่นแะแต่พอเราตั้งเป้าผิดเนี่ยมันเดินไปสู่ทิศทางที่ผิดก็ดูเวทนาเหมือนกันแหละแต่คนหนึ่งดูแล้วเห็นไตรลักษณ์คนหนึ่งดูแล้วกูเก่ง ตื่นเต้นไหมร้อยห้าสิบสามตื่นเต้นฟังซีไม่ได้ค่อารู้สึกว่าโกรดสั้นลงแล้วก็ทำรู้สึกว่าติดเพ่งหน่อยๆอะค่ะอืมถูกต้องตัวที่เราเพ่งนะ้ํานก็เลยเหมือนไม่ค่อยโลภไม่ค่อยโกรธไม่ค่อยหลง อ, อย่าไปเพ่งเหมันสิรู้อย่างที่เขาเป็นนะการดูจิต ด, ดูใจเนี่ยถ้าเรากลัวว่าจะเผลอเราพยายามจ้องไม่ให้คลาดสายตาจะกลายเป็นเพ่ง ให้ความรู้สึกมันเกิดแล้วก็ค่อยรู้เอาย่างนั้นถึงจะใช้ได้แต่ไปดักดูรอดูเมื่อไหร่จะมีความรู้สึกเป็นเพลงปล่อยไปนี่ซะเราจะร้ายกว่าเก่าก็แค่นี้ละกันดีแล้วล่ะที่รู้ว่าเพ่งนะฉลาดถ้าติดเพลงก็ไม่รู้นะ <c oughs> ตายเลยแก้ยากที่สุด ใครใจลอยบ้างเห็นไหมเรามองเขาใมเราลืมกายลืมใจเมื่อไร่ลืมกายลืมใจเพราะนั้นใจลอยขาดสตินักมรรการขาัใจาก็ตอนนี้ต็นเต็นมากมเข้าใจว่าเป็นผู้รู้ผู้ดูามากขึ้นแล้วก็บางครั้งจิตก็หลุดจากความคิดเอง ช่วงหลังนี่มันจะหลุด่อยขึ้นโยมจะเห็นเหมือนกับมันเป็นคลื่นไหลไปแล้วก็ไหลกลับมามแล้วก็แต่ยังไม่เข้าใจคำว่าจิตถึงฐานจิตมันยังไม่ถึงฐานไงจิตที่ถึงฐานเนี่ยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานไม่ได้ไปเพ่งไปจ้องไหมไม่ได้ไปตรึกความรู้สึกให้นิ่งอตอนนี้ก็ยังติดนิ่งอยู่เะ สั่เกตุแปว่าจิตของเราขนาดนี้กับจิตสมัยตอนที่ไม่ได้ภาวนาเนี่ยไม่เหมือนกันสมัยตอนเด็กๆที่ยังภาวนาไม่เป็นนะกับจิตใจในขนาเนี้ยไม่เท่ากันอันนนิ่งประสมัยโน้นจิตที่ดีที่สุดน่นก็คือจิตสมัยที่เรายังไม่เอาไหนเลยเด็กๆอะ่ะเด็กเวลากระทบอารมณ์กเห็นไหมเขากระทบอารมณ์แล้วเขาก็เกิดปฏิกิริยาที่เป็นธรรมชาติ เราใช้จิตอย่างนั้นนะเราตา่างกระเดกตรงที่เด็กอย่างมันเห็นของอย่างนี้มันอยากได้มันก็อยากได้จริงๆนะของเราตา่างกระเดกตรงที่พอมันอยากได้เราเรารู้ทันเห็นว่าจิตนันเปลี่ยนไปเราไม่ได้ฝึกจิตจงกระทั่งผิดมนุษย์มนาว่าต้องไม่มีความอยากต้องนิ่งตลอดต้องดีตลอดนะจิตที่ดีที่สุดนะั่นคือจิตเด็กเด็กจิตซื่อ สายใสกระทบอรมณ์แล้วก็เกิดความรู้สึกเกิดปฏิกิริยาไปตามธรรมดาแต่เด็กภาวนาไม่เป็นเพราะว่าเด็กเกิดความรู้สึกแล้วเด็กไม่รู้ทันเราต่างกับคนที่ไม่ภาวนานี้เดียวนัวคือความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นเราก็คอยรู้เอาแต่เรายังไม่บังคับให้ความรู้สึกมันนิ่งโยมเข้าใจว่าโยมมีผู้รู้โยมเข้าใจถูกนะคะอืมเก่งใจชังเลยไม่ถูกหรอ <laughs> คือตัวนี้มันตัวเนี้ยมันเป็นพูด ผ, ผู้เพ่งมันเนี่ยไม่ใช่ผู้รู้ไปเกี่ยนไหมมันไม่เบิกบานมันมันชื่อื่ออยู่ถ้ามันทื่ทอๆอยู่ไม่ใช่นะแล้วขณะเนี้ยจิตวิ่งไปอยู่ที่หลวงพ่อไหมอยูค่ะเนี่ยจิตออกนอกไม่ถึงฐานจิตมาอยู่ที่หลวงพ่อถ้าเรารู้ทานว่าจิตออกนอกนะมันจะเข้าฐานเอง จิตนี้ไปคิดมีมไหมเห็นไหมจิตนี้ไปคิดเนี่ยจิตไม่เข้าฐานห<ะ>นี้ไปอยู่ในโลกของความคิดไม่ได้อยู่ในโลกของความรู้สึกตัวให้รู้ทันว่าจิตนี้ไปคิดมันก็จะรู้สึกตัวขึ้นมาและการที่เห็นว่าจิต<ล>อยากพูดทราบไหม<ะ>มันมีแรงดันขึ้นกลางหน้า อ, อกอะ่นะอย่าดันขึ้นมาให้เรารู้ทันเรารู้ทันนก็เห็นว่าจิต ท, ที่อยากพูดเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนี่ยเราจเจริญปัญญาอยู่ละ ใินพิชิตหรื อ, อยังไปเรื่อยๆนะเนี่ยให้รู้ทันตัวนี้นะอย่าไปตรึงความรู้สึกให้นิ่งนะถ้าตรึงไปแล้วก็อยู่อย่างนี้ทั้งวันเลยนะเดีย๋ยวต้องอ่อนว่านี้อีกนิดอยู่อย่างนี้ไม่ได้นะปลุกความรู้สึกตัวขึ้นมาะนะแล้วอย่างตอนนั่งสมาธิถ้าเกิดวันไหนนั่งได้แล้วมันจะรู้สึกเหมือน เหมือนว่ามีตัวหนึ่งเข็งตัวนี้เป็นคนแปลกหนะ้าแต่ว่าอะไรอย่างนั้นได้นะแต่ต้องระวังไม่ให้ตัวที่เป็นคนดูนียนิ่งหนะักอย่าไปรักษาตัวนี้ให้นิ่งนิ่งนั่นคือเป็นเป็นสิ่งที่โยมทําอยู่นะคะคือไปรักษาตัวที่ดูให้นิ่งะะค่อยๆปล่อยละตัวที่ดูนี่ไม่สังเกตไหมว่าตอนนี้เริ่มจิตมันเริ่มเคลื่อนไหวแล้วต้อง<ะ>อย่างนี้ถึงจะดีนะ คือตัวที่ดูนี่ไม่ใช่ตัวรู้เหรอคะอาจารย์ตัวที่ดูเนี่ยบางทีเป็นตัวเพ่งก็ได้ถ้ามันนิ่งผิดธรรมชาตินั้นเป็นตัวเพ่งไม่ใช่ตัวรู้ถ้ามันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้อย่างอิสระมันเบามันโปร่งมันเคลื่อนไหวคล่องแคล่วนี่จเป็นตัวรู้ไม่งั้เป็นตัวเพ่งแล้วที่อาจารย์สอนว่าตัวรู้เดี๋ยวก็เป็นตัวรู้เดี๋ยวก็เป็นตัวหลงใช่เดี๋ยวก็เป็นตัวไปคิดถ้าเป็นนักปฏิบัติทั่วไปก็เป็นตัวเพ่งอีกทั เดี๋ยวก็เพง่งเดี๋ยวก็รู้สึกเดี๋ยวก็หลงถ้าตูให้เห็นมันถูกตัวก็ไม่เที่ยงอย่าิดเกาะไว้อย่างนี้นะะงั้นมันจะนิ่งเกินปล่อยให้มันทำงานนะนตัดไปกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะจริงๆก็เริ่มปฏิบัติตามแนวทางหลวงพ่อได้ไม่นานก่อนหน้านี้ก็จะรู้สึกว่าทำอะไรไม่นก็ถูกก็จะ จะสวดมนต์จะชอบสวดมนต์ใช่ไหมครับตลอทำอะไรไม่ถูกทำสมถะไว้ก่อนสวดมนต์ไปพอสวดมนต์ไปแล้วจิตใจสบายรู้ว่าจิตใจสบายสวดมนต์ไปจิตใจสงบรู้ว่าจิตใจสงบมันก็เข้ามาดูจิตเป็นแล้วเราพอเริ่มปฏิบัติตามที่หลวงพ่อสอนก็จะรู้สึกว่าจะชอบจะชอบคิดเราก็ชอบแต่ว่าหาจะชอบอยากจะรู้ว่าที่ทำไม่ถูกไหมจิ ช่องาคับตัดสินนะคะให้รู้ทันว่ามันอยากรู้นะรู้ทันมันเข้าไปเลยแล้วอ่าเวลาที่อ่าเวลาที่ทาทำหมายถึงว่าพยายามจะรู้เนี่ยเราสามารถบอกนำได้ไหมว่ามันไม่เที่ยงไม่เที่ยงตลอดเวลาอช่ไหเนี่ยอนนั้นเพยงคิดเอานะยังไม่ใช่วิปัสนาแต่เบื้องต้นจะคิดออกก่อน ก, นก็ไม่เป็นไรใช่ได้ให้ฝึก คุณปั้นอะไรเนะี่ยชื่ออะไรชื่อปั้นนาะยให้ไปจ้องนิ่งๆนะรู้สึกไหมรู้ขึ้นเต้นเลยก็ได้นะไม่มันจะนิ่งไปต่อไปเอานมัสการครับหลวงพ่อมี1นึ่งหมีทั้งหมด5คนนะครับอะไรนะ 1, ะ น, 1> <อ>นึ่งหมีทั้งหมดห้าคนคราวนี้ให้ผู้ใหญ่ถามก่อน พ่อแม่คะพอก็อยากให้ทราบเวลาคือว่ามีใช้กานั่งสมาธิมาแบบต่อเป็นต voilà ่แล้วแต่เวลานั่งนี่จิตไม่นิ่งอืแต่คิดโนนคิดนี่แต่ก็บางที่ก็รู้ตัวสักครั้งั้งหนึ่งเวลานั่งสมาธิอยู่นะเคล็ดลับของการทําสมาธินะถ้าต้องการให้จิตสงบะจิตต้องมีความสุขนั่นเราต้องรู้จักเรื่องอารมณ์กรรมฐาน ถ้าคนไหนอยู่กับพุทโธมีความสุขจิตก็จะไปอยู่กับพุทโธไม่หนีไปที่อื่นคนไหนรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขนะเราก็ใช้ลมหายใจเป็นอารมณ์กรรมฐานหายใจแล้วมีความสุขจิตก็ไม่หนีไปที่อื่นแค่เราต้องรู้จักเรื่องอารมณ์ค่อยๆสังเกตว่าเราอยู่กับอะไรแล้วมีความสุขเราก็เอาอันนั้นแหละมาทํากรรมฐานอย่างหลวงพ่อแต่เด็กๆหายใจแล้วมีความสุขก็อยู่กับลมหายใจพอจิตใจมีความสุขจิตใจก็ไม่สนไปที่อื่นเคล็ดลับมันมีเท่านี้เอง ไม่ใช่ว่าไปนั่งหายใจไปนั่งพุโทโธเราไปบังคับจิตนะยิ่งบังคับมากจิตยิ่งเครียดจิตไม่มีความสุขจิตไม่สงบคลิ้ตลับจุอที่ต้องมีความสุขถึงจะสงบบา ง, บางก็บังคับตัวเองเราบั ง, บงคับมันยิ่งม<า>โมโหไม่สงบดอกแล้ ว, ลวมันมีคลิ้ตลับหน้าแต่ละอย่างอะ่ะค่ะที่แรกก็ ค, คิดว่าทำไมจิตฟุ้งซ่านหรือว่ายัางไง <c oughs> แต่ก็รู้นะคะว่ากําลังนั่งสมาธิอยู่นะ ง่ายๆนะง่ายๆเลยนะเช่นเราสมมติเราพุดโธหรือเราหายใจหายใจไปแล้วเราก็คอยรู้ทันจิตพุทธโธพุทธโธหรือหายใจนะจิตนี้ไปคิดรู้จิตนี้ไปคิดก็รู้ไม่ว่ามันแค่รู้ทันว่ามันหลงไปละวพอเรารู้บ่อยๆมันจะค่อยสงบสงบค่อยเชื่องขึ้นแต่ถ้าเราเป็นโมโหมันนะไม่สงบหรอกเพราะเวลาจิตใจโมโหจิตใจไม่มีความสุขถ้าจิตใจไม่มีความสุขจิตใจจะไม่สงบอย่าเคล็ดลับมันอยู่เท่านี้แหละ แต่กว่าจะได้เคล็ดวิช า, ตาแต่ละอ่านนะโห่ฝึกกันเยอะเลยต อ, น, อนนี้ส่วนตัวอยากจะถามหลว่าว่าถ้าใช้วิหารธรรมในชีวิตประจาวันเนี่ยที่เหมาะกับตัวเองเนี่ยควรจะใช้ไหมเราทำงานที่ต้องคิดเยอะนะัถ้าตอนที่เราคิดเรื่องงานเนี่ยปฏิบัติไม่ได้ แต่ถ้าเวลาที่เหลือจิตมันคิด น, น, นึกปรุงแต่งอะไรเนี่ยคอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อยยี่งหเห็นได้ง่าย <อ anno. S 1> ใช้จิตเป็นญาณธรข้อหนึ่งอันนีู้กปยในตูอนี้เนี่ยเน่งจาว่าเราต้องมีน้ำใส่่พพลาสวกเ่อะได้อยากจะอเพราะว่านต้เนี่เราควรจตสอนเขาด้วยนะสอนอ สันก็มาถานเลยเอ้าแล้วก็สอนภาษาฝรั่งไปเลยศา <c oughs> ส, สนาพูดไม่เกี่ยวกับภาษาคือ <c oughs> <c oughs> เราอยากไปประเพณีอะไรนี่นะกับตัวธรรมะมันไม่ได้โคนละอานกันภาษาวัฒนธรรมกับตัวธรรมะคนละานกัน งันถ้าเราเด็กมันภาษาไทยไม่รู้เรื่องนะเขาภาษาที่เขารู้เรื่องเน้าวเขาเรียนรู้แล้วนะจิตใจเขาก็พัฒนามเหมือนกันเลยไม่ได้เกี่ยวกับภาษาเปิดไหมนนใหน่อยิใครจิตออกนอกบ้างจิตดีไปอยู่ที่คุณนน์หมดเลย <laughs> กับบรรดกับธรรมชาหลวงพ่อค่ะนี่เขาได้กราบสามรอบถูกต้องตามวัฒนธรรมว่าไงก็ได้ฟังซีดีแล้วก็อ่านหนังสือธรรมะแล้วก็รู้สึกว่าตั้งแต่ดูสิ่งเหล่านี้เข้ามาในชีวิตนี้จิตใจก็สบายขึ้นแล้วก็การกระทบทุกอย่างในชีวิตประจำวันก็มีคุณภาพ โยก็วันๆก็ไม่ได้ปฏิบัติแต่ว่าใช้การทํางานเข้ามาจิตใจอยู่ในการทํางานแล้วก็เมื่อเวลาจิตเมื่อเวลาเดือดเนี่ยก็จะไม่หันไปหอต่อหต ก, ก็จะมาฟังธรรมะมแล้วก็อาก่านังสือธรรมะในเวลาทั้งวันเนี่ยก็แบ่งแล้วก็มานั่งใน เ, เวลาตอนเยนก่อนนอนก็จะทำํำสมาธิส่วน ก, ก็มีเท่านี้ค่ลว ก, ก็เ่องมาเกิดแต่ก็รู้สึกว่ามีประโยชน์แล้วก็มีความสุขมาขึ้นมากกว่าที่จะไม่มีคอามใช่ทำได้ก็ดีแล้วเรื่องอะไรจะไม่ทำนาะ <c oughs> คือถ้าเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกนะแล้วลงมือทำนะเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในชีวิตอย่างรวดเร็วนะใช้เวลาไม่เยอะหรอก แล้วเราจะรู้เลยว่าโหตธรรมะมีค่ามากขนาดไหนอย่างคนทั่วทวไปนะเวลาทุกก็ทุกนานทุกหนักนะถ้าเรามีธรร ม, มะเนี่ยทุกส็สั้นสั้นทุกก็ไม่หนักเท่าไหร่มาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปมีเวลาให้เราหายใจเยอะเลยรู้สึกตัวอย่างบางคนเป็นมะเร็งป่วยเจ็บปวดอะไรงนะีะถ้าดูให้ดีมันไม่ได้ปวดตลอดเวลามันมีเวลาที่ไม่ป่วยด้วยแต่ว่าพอไปเมาว่าฉันป่วยฉันเป็นมะเร็งนะป่ปวยตลอดยี่สี่ชั่วโมง ก็ทุกเยอะถ้าเรามีชีวิตอยู่กับปัจจุบันเป็นขณะคณะนะก็ช่วงนี้มันร่างกายมันป่วยใจเราเป็นคนดูช่วงนี้ร่างกายหายป่วยใจเราก็เป็นคนดูจึงก็มีเวลาที่มีความสุขอยู่ได้ดีแล้วาฝึกไว้ใครใจลอยบ้างดีด้วยไม่ยอมหลับว่างายผมก็มาห้าคน อะไรนะนนปกตินะคนที่ไปบ้านหลวงพ่อเนี่ยไปเลยเป็นครอบครัวส่วนมากทีแรกไปคนเดียวกันแล้วความชีวิตจิตใจมันเปลี่ยนคนรอบรอบตัวน่าสนใจมากันทั้งบ้านนะปกติดีใช่ได้ฉีดเป็นผู้รู้ก็ตื่น ไม่ใช่ปัญหานะตัวในเด่นรู้ไปแต่ว่าสังเกตไหมว่าใจมันเป็นคนดูใจขนาดนี้ที่เราฝึกมาได้ขนาดนี้นะจิตมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิก บ, บานแล้วขันมันแยกออกไปหมดลนะ้ถ้าใจนี้ดูไปเลยขันแต่ละขันไม่มีตัวเราไม่ต้องคิดหรอกมันจะเห็นเองที่ทาถูกแล้วนะไปสอนทั้งครอบครัวให้ได้นะ บอกให้สอนเองได้มดเลยนะทำถูกแล้วนะเอาข้ามาไหนย่อกันส้ด้วยทุกวันก็ฟังังตลอดอ่าก็ไบนแต ก็ฝึกนะฝึกมันถูกแล้วเห็นแต่ว่าฝึกให้บ่อยๆคอยถูไปเรืยไม่รีบร้อนว่าจะบรรลุเมื่อไหร่ทำไปเรื่อยๆใจเย็นๆที่ทำนั้นดีของคุณดีมากนะหลวงพ่อไม่ถึงเลยว่าอเมริกาก็มีคนภาวนาแบบนี้ใช่ได้เช่ว่ามาพ่อพ่อพยายาม ดูล่างกายเยอะๆด้วยนะ เ, เอออย่าทิ้งกายนะเราก็เป็นคนร่างกายอยู่งั้นร่างกายเราเหายใจเรารู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนเราคอยรู้สึกเรจะเห็นจิตชักเห็นอย่าไปทิ้งร่างกายคอยรู้สึกเในร่างกายเลยด้ว ย, ยเห็นร่างกายไปยักหน้าใจเป็นคนดูไปได้วยของคุณนะอย่าไปเพ่งไว้นะหลวพชมเลยไปเพ่งไว้นะ <laughs> เนีมันแน่นหลวงพ่อชมคนพังมาเยอะแล้วใจรอปล่อยนะคลายตัวออกนะแค่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นเท่านะ้นโลกนี้ว่างเปล่าจากสิ่งที่เป็นตัวเป็นตนดูออกไหมตัวเราไม่มีดูออกไหมเห็นไหมกายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เราทำถูกแล้วทำเป็นแล้ ขขน้าราชการค่ะหลวง ก, ก, ก็ดีใจค่ะนึกว่าจะไม่ได้มานี่ยครับหปฏิบัติมาได้สอ ง, องสสปีแล้วก็เห็นกิเลสมีฟุ้งซ่านกับโทรศัพท์เป็นพื้มใช้ได้ดีค่ะแล้วก็ทำสมธาธิไม่ได้ <ừ> แค่สวดนโมสามจบก็ยังไม่ค่อยจบ เราจบก็ร้อยมันฟุ้งค่ะถือขนาดน้ำโม่สามจบมันฟุ้งมา ก, กก็เลยสงสัยให้รู้ว่าสงสัยผ่านไปเลยก็สวดมนต์บ้างค่ะนะแต่อย่าหวังว่าจะสงบสวดมนต์ไปแล้วค่อยดูจิตฟุ้งไปเรารู้ทันสวดต่อจิตฟุ้งไปเรารู้ทันไม่ต้องนับจบก็ได้ค่ <c oughs> ะนาจิตจะได้มีสมาธิเพิ่มขึ้นถ้าจิตไม่มีสมาธิวล้จิตมันหนีไป นี่ที่คิดส่วนใหญ่เราก็มนันนโมตัสสะพระขวะตองอั น, นีนไปแล้วก็รู้สึกมาสวดต่อสัมมาสัมพุทธสาะอ น, นีนีไปอีกแล้วรู้ทันฝึกบ่อยๆวันหนึ่งสวดหลายๆจบก็ได้สวดเล่นๆสวดแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันหนีจะได้สมาธิขึ้นมาคิดว่าเป็นพวกฟงส ร, ร้า ง, งคือจิตริป่คะใช่กรรมาฐานที่เหมาะกับคนฟงสร้างนะก็คหายใจไปรู้สึกไป หรือสวดมนต์ไปรู้สึกไปก็ได้ต้องมีให้บ้านให้จิตอยู่มีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่กับสวดมนต์ก็ได้นอยู่กับลมหายใจก็ได้แล้วจิตฟุง้งซ่านเรารู้ทันเราจิตจะค่อยสงบขึ้นเองครับมนมาส ก, การุงพ่อแบบเป็นขั้งแรกที่ย่ารู้จักหลวงพ่อแล้วก็เพื่อ น, น, นคนแด น, นำ้ำ <laughs> เป็นกั้นแรกที่หลวพ่อรู้จักคุณดน้ำคนแ น, นำ้ำให้ ดีหลวงพ่อใช่ไหมคะก็ปฏิบัติธรรมตามท่านสอนใช่ไหมเสร็จแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งเนี่ยกําลังจะลมตัวนอนก็แยกแยกใจกับกับนอนฝนครองนั้นส่ไหมคะเสร็จแล้วก็พอทําทําอยู่สักพักก็ชักจะคิดมากแล้วว่าเป้ไตรลักนี่คืออะไรทําไมเราโอ้คิดมากยากน้นสังเกตไหมตัวที่นอนอยู่ใจเราเป็นคนดูตัวที่นอนอยู่มันไม่ได้บอกเลยนะว่ามันเป็นตัวเรา นั่นแหละมันสแสดงใจรักแล้วสแสดงความไม่ใช่ตัวเราอยู่แล้วและตัวพักนี้ก็ไม่ค่อยได้ทํามากเพราะว่างานยุ่งมากแต่ตอนนี้งานค่อยยิ่งชั่วลงแล้วก็แต่ว่าเวลาคิดอะไรมากๆคิดเรื่องงานมากก็กลับมาเหมือนกับว่าสติเราเนี่ยเตือนเราให้กลับมาเองอแบบก็เหมือนกับไม่เคยคิดว่าจะทําได้นะแต่ว่าพอนั่งๆนั่งๆอยู่บทีก็สติเตือนว่านี่เราลงไปแล้วนะไม่ทราบว่าจะ ทำถูกไหมคือ ค, คิดว่าจะต้องมีอะไรต่อไหมฮะฟังซีดีหลวงพ่อไว้เวลามันหนีไปแล้วมันจะกลับมาเร็วเดี๋ยทําต่อได้ไม่ยากแล้วละ่ะแต่แต่มีความสุขขึ้นนะคือแบบว่าทุกน้อยลงอืแล้วแบบว่าอยู่ๆก็คิดว่าเอ๊ะเราก็มีความสุขขึ้นนะซึ่งเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะเป็นอย่างนี้คือคนในโลกเนี่ยหาความสุขจากข้างนอกนะพวกเรา ได้ธรรมมาของพระเจ้าเรารู้สุดขึ้นมามีความสุขจากข้างในออกมาจิตมันรู้มันตื่นมันเน บ, บิกบานโลกนี้ทุกแทบตายเลยปัญหาในชีวิตเยอะแยะเลยแต่เราอยู่กับมันได้อย่างมีความสุขคือเราเราคิดว่าเราสู้กับโลกได้ทุกแบบมาแบบไหนรับได้แบบทุกอย่างเลยแต่ยัง ป, ประมาณน ะ, ะไม่<อ>ไม่ประมาณเราก็พยายามที่จะจะทําต่อบางทีก็ลืมตัวไปอย่างเงี้ยแต่ก็พยายามพอพอลืมตัวไปปั๊จิต สติจะกลับมาให้เราเห็นเลยว่าเราลืตัวไปแล้วโอเงไม่ไม่ถึงขนาดนั้นอย่าชมมากนะนัโอเคคัะใช่ได้นะหลวงสติมันมาได้เองแล้วล่ะดีโอแต่วันนี้ดีนะมีรถไฟให้ดูด้วย <c oughs> วัาหลวงพ่ออยู่ในเขาไม่มีรถไฟ <c oughs> ของของคุณนะ คิดต้องระวังคือการประคองตัวรู้นะอย่าไปประคองอย่ารักษาปล่อยให้มันเกิดดับตัวรู้ก็ต้องเกิดดับไม่งั้นมันจะติดอยู่เดี๋ยมันไปต่อไม่ได้ตอนนี้ดูไปไม่มีตัวเราตรงไห น, นตัวเรามาจากความคิดทั้งท่านเองนักวันาการน้องก็ยังไงคณายสิทาม ช่วยแปลให้หลวพ่อฟังหน่อยอไม่ต้องถามอะไรการปฏิบัติไม่ต้องการถามเยอะเลยหรอก เขารู้ทันใจของเราไว้ก็แล้วกันใจเรามีความสุขเรารู้ใจเราตื่นเต้นก็รู้ใจดีใจร้ายก็รู้ไปเรื่อยเรารู้ไปเพื่อวันหนึ่งเราจะเห็นวนะ่ทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในใจเราเนี่ยเป็นของชั่วคราวสุขทุกข์กดีชัวนะช่วเนชั่วคราวไปหมดเลยถ้าเห็นอย่างนี้ได้ต่อไปเวลาเราเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของชีวิตเนี่ยเราจะไม่หวั่นไหวไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเราเนะจะดีหรือจะร้ายเราก็ไม่หวั่นไหว พอจิตมันรู้ความจริงสะล่วงหน้าแล้วว่าทุกอย่างมันชั่วกราบึกไปเลยไปถามพ่อ <c oughs> อย่าไปติดตัวรู้นะอ ย, อย่าไปประคองตัวรู้เดีย๋ยวจะไปตรึงแข็งแข็งเงีง้ตรึงไปตัวนี้นี้มันจะไปตรึงไปปล่อยนำมัศการหลวงพ่อคะ่ะ <c oughs> อยากจะถามอยากจะถามหลวงพ่อว่าที่ปฏิบัต เออหนูรู้สึกว่าหนูก็ติดนิ่งเหมือนกันนะไม่มากอ่ะนะติดนิ่งนิ่หน่อยหน่อยพองาม <c oughs> ใครดูใจนะถ้าใจมันนิ่งก็เห็นร่างกายมันทํางานใจเป็นคนดูร่างกายยังไงมันก็ไม่นิ่งหรอกเดี๋ยวก็หายใจออกหายใจเข้าเราเป็นคนดูไปด้วยนะเพราะฉะั้นถ้าเมื่อไห่ใจเรานิ่งไม่มีอะไรให้ดูมันดูกกลายไป พี่เขาบอกให้พิจารณานหนูพิจารณานไม่ได้ไม่ต้องคิดเอาหรอกนะคำว่าพิจารณาเนี่ยมันมีคําภาษาบาลีลคําว่าวิจารณวิจารณ์ไม่ได้แปลว่าคิดวิตกกับวิจารวิตตกม่าตรึกนึกคิดเอานะวิจารณ์เนี่ยเป็นการที่ใจมันเคล้าเคลียวิตกเช่นกระสุว่าเรารู้ลมหายใจอยู่จิตเราจับลมหายใจเป็นเครื่องอยู่แล้วก็มีวิตก จิตใจเราคล้าเคลียอยู่กับลมหายใจไม่หนีไปจากลมหายใจเรียกว่าวิจารณ์ส่วนการคิดพิจารณานั้นเป็นเรื่องของสมถกรรมฐานอย่างบางท่านท่านภาวนาพุโทโธพุโทโธหรือรู้ลมหายใจแล้วจิตนิ่งเฉยเลยอันนี้ก็ให้มาคิดพิจรารณาร่างกายนะคิดเพื่ออะไรเพื่อกระตุ้นไม่ให้จิตติดนิ่งติดเฉยแค่นั้นเองี่ไม่ใช่วิปัสนาแทนนะวิปัสนานั้นเลยคิดไป เคยใครเคยได้ยินชื่อหลวงพ่อพุท ธ, ธานิโยบ้างเคยมีไหมหลวงพ่อก็เรียนจากหลวงพ่อพุทธนะลูกศิษย์หลวงพ่อพุทธนั่นแะหละหลวงพ่อพุทธเนี่ยเป็นคนสั่งให้หลวงพ่อออกมาเผยแผ่หลวงพ่อพุดบอกว่าสมถะเนี่ยเริ่มเมื่อหมดความจงใจวิปั ส, สนาเริ่มเมื่อหมดความคิดนั่นตาบแต่ที่เรายังคิดพิจารณาอยู่เ ย, ยังไม่ขึ้นวิปั ส, สนาแท้แต่บางคนต้องคิดพิจารณาเพราะเวลาจิตทําความสงบแล้วมันไปติดนิ่งติดเฉยอยู่ ก็พยายามมาคิดเรื่องร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นอาสุพะอะไรเงี้ยเป็นการกระตุ้นให้จิตมันทํางานให้มันหัดดูใจรักในตรงที่มันดูใจรักของมันได้เองแล้วนะถึงจะเป็นวิปัสนาดังนั้นบางทีก็คิดนําเอาใจลอยรู้จักไหมใจลอย <laughs> ใจลอยก็ใจหนีไปคิดเมือตอนที่มันหนีไปคิดเรามีร่างกายเราก็ลืมมีจิตใจเราก็ลืมนะในนี้เรียกว่าใจลอย ใจะลอยอีกหรือยังไม่งั้นหนีวิคิดอีกเลยของคุณนะดูจิตตรงๆยังไม่ได้หรอกดูกายไม่ด้วยไปดูจิตตรงๆดูไม่ทันมันหนีวิคิดซะก่อนกาบนมัสการค่ะไปสงสารข้ามศาสนาคนไแล้วก็ดูใจมากค่ะทีสัมเออ โยมว่าชีวิตโยมมีความสุขมากขึ้นแล้วก็ยตัวเอง่เป็นคนยิ้มแฉ่โลภตโก็น้อยลนะคะ<ม>แต่ว่าบางครั้งเวลามีปัญหาชีวิตมันอะไรมัน้นแหกใจลงา ก, ดกาเดินดกักนสัตว์ที่แรงแรงให้มันแหกใจมากระทบอัตตาโดยคนตัวเองโยมรู้สึว่ามันเหนเหียวมากนะโยมตัดมันปล่อย <tôi S 1> <tôi S 2> อย่าไปคิดภาวนาเพื่อไปตัดมันนะ เราคิดภาวนาเนี่ยเพื่อให้เห็นความจริงว่าเราบังคับมันไม่ได้ยันตั้งเป้าการปฏิบัติให้ตรงก่อนไม่ได้เอาชนะกิเลสหราแต่ให้เห็นเลยว่ากิเลสมีเหตุกิเลสก็เกิดกิเลสหมดเหตุกิเลสก็ดับเราบังคับมันไม่ได้สิ่งทั้งหลายมันแต่อยู่นอกอำนาจการบังคับถ้าตั้งเป้าให้ถูกการพาวนา ง, ง่ายถ้าคิดจะเอาชนะกิเลสเนะยากที่สุดเลยเพราะกิเลสเนะี่ยไม่เห็นมีใครชนะมันนะ แต่ถ้ารู้ทันนะกิเลสก็ไม่มีเหตุให้เกิดกิเลสจะได้ตอนทีเผลือกกิเลสไม่มีเหตุให้เกิดกิเลสมันต้อหายไปไม่มีไม่ใช่เพราะเราเก่งแต่เป็นเพราะว่ามันไม่มีเหตุหตใช่เหตุของมันยังอยู่เราไม่ใช่ฝึกเพื่อไม่ให้ขาดสติด้วยสติเองก็ไม่เที่ยนสติเองก็เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ แต่ว่าพอเราฝึกจนจิตชำนาญที่จะมีสตินะสติก็จะเกิดถี่ขึ้นถี่ขึ้นจะชำนาญเต็มที่นะมีสติอตลอดเวลาเลยเมยื่ อ, อไอองไไใช่ได้ใส่เกียร์แม็กไก่ก็ไม่ใช่เราจิตก็ทำงานได้เองนะที่ฝึก อ, อยู่ถูกแล้วละขันมันแยกออกไป มไม่ไม่ไ ม, ไม่มีปัญหาต้องทุบเลยนะกิเลสเลยเกิดเรารู้ทันเราเรืเอยๆก็ถูกต้องแล้วไม่ใช่ต้องทุบหรอกไม่ต้องทุบ <c oughs> ไม่มากอะ่ะกิเลสพื้นๆธรรมดาธรรมดา ไม่โดดเด่นแจสแฟร์เลยก็ได้เจสนัมาสการ์ครับหลวงพอ่อ welcome to America นะครับเขาถามว่าตอนที่มีจิตผู้รู้เกิดขึ้นเขาจะไปดูจิตผู้รู้แล้วมันหายไป<ม><ม>ไู่การทำยังไงหรออย่าไปจงใจดูตัวจจิตผู้รู้ ถ้าดูเมื่อไหร่มันจะหายไหมไอ้คนมันจะกลายเป็นผู้รู้ซ้อนไปเรื่อยๆตัวที่เป็นผู้รู้อยู่พอเราจงใจไปดูมันจะกลายเป็นตัวถูกรู้เราแค่มีตัวผู้รู้เป็นคราวๆก็ ม, มีตัวผู้รู้ขึ้นมาก็จะเห็นเนละร่างกายก็ถูกรู้ไม่ใช่ตัวเราความสุขถูกรู้ไม่ใช่เราอะไรตัวผู้รู้นี่เราอาศัยไว้ทํา ง, งานเป็นชั่วคราวนะเราไม่รักษาไว้ตลอดเวลา แบบพอค่ะเขาสขกันบ้านค่ะมีครั้งหนึ่งที่อกําลังเดินจงกลมอยู่ค่ะอะไรนะกําลังเดินจงกลมค่ะพอเริ่มเริ่มทางเดินจงกลมจิตมันก็คิดวิตกกังวลเยอะแยะโน่นนี่โน่นนี่เสรแล้วจิตตัวหนึ่งก็หันไปเห็นตัวที่กําลังคิดอยู่ที่เุดเอตัวที่เห็นนีอยู่ที่จุสี่ เอ้ามัวแต่คิดอยู่ได้ก็เดินไปโู้นแล้วไอ้จิตเนี่ยตัวนี้ก็หันไปเห็นกายที่กำลังเดินอยู่ตรงโน้นจิตกายกำลังเดินเดินเดินแต่ไม่ได้เป็นกายห่ะมันเป็นควันสีเป็นควันสีของขาวจางๆลอยลอยเสร็จแล้วจิตเนี่ยก็กล้องตรงดูที่ตัวเองแล้วก็บอกว่า อ้าวแล้วเร า, าคือในในใจเนี้ยรู้อยู่นะว่าเราไม่มีแต่ตัวจิตเนี้ยมันก็พูดออกมาเองว่าอ้าวถ้าเราไม่มีนี่เสร็จแล้วตัวจิตเนี้ยก็วิ่งไปที่กายข้า ว, วมันโ่ลอยมันมันยังหวงอยู่เนาะถ้าถ้าเกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้นมานะไม่สำคัญนะปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นมาเราคอยรู้สึกตัวคอยดูจิตใจแล้วเราเป็นไง แั้นถ้ามันแยกออกไปมันเดินไปนรดแล้วใจไม่เกิดห่วงขึ้นมาจะเอาคืนอลไรเงี้ยรู้ทันใจที่ห่วงขึ้นมาเลยคอยรู้ทันจิตไปหลังจากนัานก็ไม่นานก็กลับไปทำงานขณะที่ยังทํางานออแก็ก็เดินหมดตูด้วยคุดียเร็จแล้วก็เขาก็ถาดีก็ฟังยังไม่จบ่สุดความได้มันก็รู พยายามรู้สึกตัวไปน ะ, อ, ะอย่าไปทิ้งบอสอ่าเพราะนั่นจริงมันเข้าสมาธิไปมันไม่มีความทิ้งะนะมันหนีเข้าสมาธิไปสแสดงว่าคนเนี้พูดไม่น่าฟังจิมันเบื่อเต็มทีแล้วัหลบเข้าสมาธิไปเลยใช่ไหมคิดไม่ได้มันไม่มี นั่นแหละพยาย า, พยายามรู้สึกตัวนะกลับมาที่ร่างกายบ่อยๆถ้าอยู่่จิตหนีไปอย่างนั้นเรื่อยๆไม่ดีหรอกมันเป็นการหนีโลกไปชั่วคราว แ, แล้วมันก็คอยคอยคอยคออย่างดีนะบางคนมันไปแล้วไปเลยนะมันไม่ยอมต่อยออามายังดีที่มันกลับมา แล้วจิตที่อยู่ตรงกลางมน็เเดือตากันเริ่มน์เแล้วมมีจิตตัวหนึ่งมนก็มองเห็นดยจิตที่เออนั่นนั่นอย่างนั้นกอืมมันจะมีจิตตัวหนึ่งทำงานนะจิตตัวหนึ่งรู้จะต่อไปเรื่อยมันจะรู้ตามหลังไปติดๆนะอย่างตัวนี้กลนตัวนี้รู้เอ๊มีตัวนี้รู้ไหวตัวนี้รู้อยู่อะไรนะจะซ้อนๆนะจิตมันจะเกิดดับไปเรื่อย ไอ้อย่างเนี้ยดีไม่เป็นไรแต่ถ้าอยู่ๆจิตว่างสว่างจ้าไปเลยนะจิตมันหนีเข้าสมาธิไปพ mm hmm. ยายามรู้สึกตัวไม่ให้มันหนีไปืางคนไปเป็นหนีตอนขับรถนะจ้าไปเลยไม่รู้อยู่ไหนเลยเรื่องจิงเร่อสุด ข, ขยกยกษไหมอย่างนี้ยกษหมอาว่ามาค่ะกำลังทำงานอยู่ใกล้เที่ยงละเหนื่อยมาก ก็จิตอบบกายนี่ก็เดินเดินเดินไปจิตก็รู้แบบลอยลยแล้เดินเดินเดินก็รู้ลอยลอยยพอไปถึงขั้นสุดปุ๊บมันรู้ขึ้นมาปุ๊บมันก็ดีมันเค้นอ่ะมันมันเค้นมากเลยว่ากายนี่มันก็เหนือจะตายอยู่แล้วไอ้จิตเนี่ยมันยังมันต้องรู้อีนี่ก็เห็นความเค้นอยู่นี่ก็เห็นความเบื่ แล้วไปทํางานอยู่ด้วยกันนะทํางานใจเราเป็นคนดูแต่ใจเราติดอารมณนะ์และใจมันมีความหงุดหงิดไม่พอใจนะมีโทสะแทรกแล้วให้เรารู้ทันไปใจได้เป็นกลางรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมนาะ อ, อย่าให้ติดสมาธินะอย่าห น, นีไปหาสว่างสว่างไม่ดีใครใจลอยบ้าง นีไปหมดเลยเนาะไ <c> ม <oughs> ่ค่อยรู้ทันนะเป็นเรื่องสําคัญมากนะถ้าเมื่อไหรเราใจลอยเรามีร่างกายเราก็ลืมมันมีจิตใจก็ลืมไม่ได้เดินปัญญาห อ, อกเราะง่ายเจสผู้ชายถามผูช้ชายถามว่างงระวังสมถะกับวิปัสสนาเพราะว่าตอนที่ทําสมถะก็จะมีอารมณ์กรรมฐานอันนึงแล้วก็พอจิตไปคิดก็จะกลับมาที่อารมณ์แล้ว ถ้าจะกลับมาที่อามก็ต้องดูว่าไปที่อื่นอยู่แล้วกำลังงงว่าคือทำ้ังไงงเวลาที่จิตเดินวิปัสสนาเนี่ยไม่เดินวิปัสสนาอย่างเดียวหรอกจิตจะพลิกเป็นสมถะเป็นช่วงๆนะเพราะฉะนั้นถ้าจิตดีไปคิดรู้ว่าดีไปคิดอันนี้มีสติรู้ทันลนะถ้าจะเป็นวิปัสสนามจะเห็นเลยว่าจิตมันหนีไปคิดได้เองมันไม่ใช่ตัวเราคิดหรอกนะอย่างเนี้เป็นวิปัสสนา แต่พอรู้ทันปั๊บว่ามันมีกไปคิดนะมันจะกลับมาตั้งใหม้มาเป็นสมถะเป็นอย่างนั้นทุกคนเลยงั้นเวลาที่จิตทำํำพิพิธนานะจะมีสมถะเป็นแทรกเข้ามาอยู่เรื่อยๆหลวงพเคยงงนะหลวงพ่มสมถะก็นั่งรูล้ลมหายใจอะไรเงี้ยแล้วเข้าสมาธิมีวันหนึงไปส่งกันบ้านหนวงปูดุลนท่านบอกว่าจิตเข้าสมาธิพเจียงท่านวนะ่าเฮ้ผมไม่ได้ทําสมาธินะ คือไม่ได้ไปรู้ลมหายใจเลยดูจิตอยู่ดีๆเนี่ยนทะ่านว่าจิตเข้าสมาธิหลวงปู่เลยบอกว่าขณะที่เราดูจิตมันใช้สมาธิอัตโนมัติเพราะเวลาเดินปัญญาเนี่ยจิตพอตรงที่เห็นไตรลักษณ์นะจะเป็นวิปัสนาตรงที่ไม่ได้เห็นไตรลักษณ์เห็นสภาวะอันเดียวปรากฏอยู่จิตไม่หนีจากสภาวะเนี้ยนั้นสมถะงั้นตรงที่ทำวิปัสนาเนี่ยมันจะพลิกไปพลิกมาระหว่างสมถะกับวิปัสนาแต่ถ้าตอนทำวิปาาัสนาไม่พลิกเป็นสมถะ ตอนทํำทำตอนทำพิปัสนานั้นจะเข้ามาเป็นสมถะเออเกี่ยกลับมาแต่ถ้าทําสมถะอยู่มันไม่ค่อยไปเป็นพิปัสนางงไหมเสื้อเขียวเห็นไหมงงงงรู้ว่างงเนี่รู้ทันมันง่ายแค่นี้เองนะง่ายแค่คอยเราคอยรู้สึกรู้เท่าทันจิตของตนเองเชสิเพื่ ฟังอยู่ที่วัดตรงพอบเป็นปีๆเลยปีหนึ่งก็กลับมาทำงานอยู่แคนาดาสามสี่เดือนเก็บเงินแล้วก็ไปอยู่ใกล้ๆวัดไปนั่งฟังทุกวันทุกวันสังเกตไหมจิตเราเปลี่ยนตลอดเวลาถูกไหมมชักกะซับกระสายแล้วนะะ ส, สยให้เรารู้ทันไปใช่ โอ้เห็นจกนกระทั่งปัญญามันปิ้งขึ้นมาเลยว่าทุกอย่างเกิดระดับถ้าเราเห็นว่าทุกอย่างเกิดระดับนะั้นสุขทุกข์ดีชั่วเนี่ยพลิกอย่างนี้พลิกไปพลิ ก, กมานะท้ายจะพบว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาคนที่จิตยอมรับว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาเนี่ยเป็นภูมิธรรมของพระโสดาบันพิมบอกว่าตอนนี้ใช้วิธีดูพองอยุ่งอนครับจนถึงอ่า จิตใจสบายแล้วพอมันสบายมันก็จะใจก็จะวางตัวไว้สักที่หนึ่งในร่างกายมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆ อ, อืแล้วก็เขาเห็นไม่ค่อยมีความคิดแต่จะมีความคิดเล็กๆเล็กๆแล้วก็พอเห็นแล้มันหายเห็นแล้มันหายนะครับแล้วก็ขอคําแนะนําลวงพอ่อคืออย่าไปเพ่งนะอย่าเพ่งจิตให้นิง่ง วิปัสสนากรรมฐานเนี่ยไม่ได้ทําให้จิตใจเราผิดไปจากมนุษย์ธรรมดาธรรมดามิวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันเห็นการทํางานของกายของใจไปตามธรรมชาติธรรมดาเท่านั้นเองแต่ถ้าสมถกรรมฐานเราไปเพ่งไว้นะกายก็จะนิ่งนิ่งใจก็จะนิ่งนิ่งทุกอย่างมันนิ่งกว่าความเป็นจริงไปเรานึกว่าทํำวิปัสสนาบางทีมกลายเป็นสมถะโดยไม่รู้ตัวใจมันจะแข็งแข็ง ฮือได้ว่ามาเลยหมดหรือยังจาก น, นี้นแล้วในสามคนไหนว่ามาอา้าว่ามาเลยทางนน้นถ้าเขาคุยกันไปก่อนอืออือ ไม่เห็นมีความผิดอะไรเลยอืมหนูพ่อมาเอง เออการดูกายการดูกา ย, กายอะหลวงพ่อบอกแล้วดูกายต้องไม่ทิ้งสมถะนะถ้าทิ้งแล้วมันดูไม่ได้จริงเราะฉะนั้นการที่เราทําสมาธิให้นมนแล้วทําสมาธิได้ถูกจิตเป็นคนดูมันเห็นกายทํางานแต่ส่วนใหญ่ทําสมาธิแล้วก็นิ่งๆกายเขาไม่เห็นจิตเขาไม่เห็นอย่างนั้นไม่ดี อพราะว่าใจได้อย่างถ้าตที่ผู้ทำร์ผู้จะทำบาร์อะพอมันตัดสินอ่าจะสุขหจะหา้ได้าสัญญานีมันรไปเรื่อยต่อแล้วสัญญาย่ เอาไว้ก่อนไปไว้ก่อนดูกายดูเวทนาดูจิตดูจิตก็คือจิตตสังขารการดูจิตตสังขารนั้นดูตามหลังปลุงไปก่อนแล้วรู้ว่าปลุงไม่เหมือนดูกายกับเวทนานี่ดูลงปัจจุบันสดสดร้อนได้อืนได้สัญญาปล่อยไปก่อนเอี่ยไปยุ่งกับมันบางคนไปยุ่งกับสัญญาไปแทรกแซงสัญญา เพียนๆไปเลยก็มีแวนจริงไปก่อนนะไม่จำเป็นคืออย่าไปดูสัญญาให้ดูสังขารซะสัญญามเป็นตัวจุดตั้งต้นทำให้สังขารปรุงแต่งเท่านั้นเองเช่นเรานั่งๆั่งอยู่นะั้นหน้าของคนนี้ก็โผล่ขึ้นมาเสร็จแล้วจิตก็ปรุงนะ้ำเป็นสังขาร น, นะให้รู้ทันสังขารัหย ไม่ต้องไปยุ่งกับสัญญานะปล่อยไปก่อนยุ่งกับสัญญาเราเล่นยากต้องอยู่ใกล้ๆครูบาอาจารย์เดี๋ยวสัญญาวิปัสสนาเลยก็มีสติไปนะรู้สึกกายรู้สึกใจไปที่ฝึอยู่ก็ใช้ได้แล้วลวะดีขึ้นตั้งเยอะแล้วรู้สึกตัวหรือเปล่านะมันดีขึ้นตั้งเยอะแล้วละอย่าไปเพ่งให้นิ่ง ออืมอืมม嗯嗯嗯嗯嗯ดีบางคนก็ใช้สมาธินําปัญญานะางคนใช้ปัญญานําสมาธิบางคใช้สมาธิกับปัญญาควบกันนะเส้นทางแต่ละคนไม่เหมือนกันละาเหมาะกัเส้นทางใช้สมาธินําเราก็ใช้ไปแล้วก็มาดูกายนะ แล้วก็กายดูไปเไรื่อยๆกิเลสเราเกิดแล้วก็รู้ทันเรานะอย่างเช่นกูเก่งขึ้นมาอะไรเงี้ยก็รู้ทันเราไม่คนจัดเนยไม่คนจัดอ้าวเหรอสตีหายก็ลําบากน่าสตังหายอีก อืมอ ม, ถ, มนะถ้ามันไม่ได้นะถ้ามันไม่ได้ทุกสังเกตดูไปเพื่อให้เห็นความจริงและจิตเป็ น, นของบังคับไม่ได้แค่นั้นเองดีแล้วเรื่องไหนรอน้อยไปนะค่อยๆถัดนะให้รู้บ่อยๆหลวงพ่อเคยฝึกนะว่ารู้ตัวแล้วจิตจะต้องถอยออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูให้ได้ด้วยนะ พยายามจับเวลาตอนเป็นโยมว่าในสามวินาทีเวลาที่จิตไปก่อบอารมณนะ์เนี่ยถ้าเรารู้ฐา น, นะวสามินาทีจิตจะต้องเป็นอิสระใช่ไหมได้เปื่อรถก้มตายแต่ว่ามีเวลาสักสามวินาทีก่อนตายนะเนี่ยตอตื่นให้ได้อยู่ที่ฝึกนะงั้นจิตไหลไปแล้วคอยรู้สึกจิตไหลแล้วรู้สึกบ่อยๆอะนะเออทน นั่นแหละอย่าอยากทำเข า, เ ป, เ, า เ, ปเป็นเองนั่นแหละถึงเวลาฉุกเฉินขึ้นมานะธรรมะจะช่วยเราเองเราไม่มีทางไปอภ า, ายเลยถึงเวลาอย่างนั้ น, น, นะอย่าอยากสิมันไม่ได้เกิดเพราะอยากนะเป็นจิตรู้ทนันแล้วดีดออกมามออถูกแล้วอืม ตัวนี้ตัวนี้ยังเห็นแะเจือด้วยโทสะนะมันไม่ใช่ตัวนิพพทาแท้ใจมันยังมีความเหนื่อยหน่ายมีความชิงชังรังเกียจมีความไม่ชอบโยมเนะังนนถึงจะเห็นทุกข์ตัวเนี้ก็ยังไม่ใช่ตัวนิพพทาเบื่อยังไม่ใช่นิพพทานะให้รู้ทันจิตซึ่งมีโทสะแทรกรู้อีกแต่กระทั่งโทสะไม่แทรกเราเห็นสุขกับทุกข์เนี่ยน้าเบื่อเท่าๆกัน เห็นกุศลนะกุศลน่าเบื่อเท่าเท่ากันเห็นความปลุกแตกทั้งหลายเป็นของน่าเบื่อทั้งหมดเลยอย่างนั้นถึงดีอันนี้เบื่อเพราะว่ามันอึดอัดคับข้อมันอยากหลุดจากอันนี้ไปอยู่อีกอันหนึ่งถ้าไม่ชอบอันหนึ่งเราจะเอาอีกอันหนึ่งอันนี้ยยังไม่จัดเป็นนิพพิทาต้องดูอีกที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะดีขอกราบเป็นคนแทนของชาวแคลิฟเนียภาคใต้ขอ อลัสนาหลวงพ่อในครั้งต่อไปถ้ามีโอกาสนะครับได้ไปโปรดชาวคนดิบเนีภาคใต้วันนี้มากันหลายสิบเกือบครึ่งหนึ่งของที่นี่มั้งครับจากทางลอสแสงเฉลต์ครับลทราบนะคืหลวงพ่อไม่ได้ม่ได้รู้จักสักที่หรอกว่าตรงไหนอยู่ตรงไหนอเลยบอกคนที่เขาช่วยจัดว่าให้กระจายเป็นโซนๆก็แล้วกัน คนไหนใกล้ทางไหนก็จะได้มาที่นั้นตาจริงถ้าไปเอวตก็ง่ายนะสาธุแปลว่าดีไม่ได้แต่ว่าโอเคนะไหนคนแอเวยเยอะไปมสิโอ้โหเยอะเลยเยอะเลยนะ หลวงพ่อไม่รู้หรอกมันอยู่ที่ไหนใกล้ๆร้อยเอ็ดหรือเปล่าน้อยมว่าหลวงพ่อนั่งเลยบินไปสักเขดเลยก็ดีนะเรามารู้จักกันนะคบกัน มีธรรมะเป็นศูนย์กลางไม่ใช่มีกิเลสเป็นศูนย์กลางคนในโลกมันคบกันเพราะผลประโยชน์อย่างเดียวเขาคบกันด้วยผลประโยชน์นั่นกะ แ, แวงซึ่งกันและกันไว้ใจกันไม่ได้คบกันด้วยธรรมะร่มเย็นที่วัดหลวงพ่อเนี่ยมีคนไปประจําเนี่นนะเยอะเลยจนกระถ้ารู้จักกันนะเหมือนญาติเหมือนอะไรกันนะความใกล้ชิดเป็นญาติไม่ใช่ว่าความใกล้ชิดเป็นญาติอย่างยิ่งให้เรา แต่ละคนมาใช้ชีวิตที่ห่างไกลบางคนก็คุ้นเคยแล้วก็ไม่เป็นไรบางคนยังเหงามีความทุกข์ไม่ใช่บ้านเราแต่เรามีธรรมะพุทธเจ้าจไม่เคยทิ้งเราธรรมะไม่เคยทิ้งเราแล้วถ้าเราไม่จริงธรรมะสะ ก, ก่อนนเราจะคอยคิดถึงพุโทโธพุโทโธไว้ก็ได้รักใจเราหนีไปเราคอยรู้ คำว่าพุทธศา ส, สนาพุทธนะคว่าเราเป็นชาวพุทธอะไรคือพุทธะพุทธะว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสิ่งที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือจิตของเรานี่เองงั้นเราคอยรู้เท่าทันจิตบ่อยๆจิตนี้ไปเรารู้รู้ไร้จิตเจ็บได้ดดดตื่นขี่นมามีความสุขมีความเบิกบานอยู่ที่ไหนก็มีความสุขได้ลงเรื่อลงจากเรือบินมาะไม่มีความรู้สึกว่าต่างกับเมืองไทยนะ สมัยก่อนไม่ได้นะออกนอกประเทศไม่ถึงอีกประเทศหนึ่งรู้สึกว่ามันแปลกแปลกเดี๋ยวนี้มันเหมือนกันหมดเห mm hmm. มือนเหมือนกันอยู่ตรงไหนก็เฉยเฉยแล้วเราฝึกนะเราไม่มีคำว่าอยู่ไกลบ้านไม่มีทุกที่ที่เราอยู่นี่แหละคือที่ที่เราฝึกเราไม่ได้ห่างไกลธรามารมะไกลประเทศไทยแต่ไม่ได้ไกลธรรมะจบแล้วเนาะ mm hmm. กว่าจะได้ไปตาตาจังนะครับเดเรพมาเดนะฮะตภาวและเยนตจังตาวะตาเยนตาจังจับฟังาราทังบาราทโนพันเตโนพนเตเดเรพมาเดนะเดเรมา สัพพ i โันเตเอปมานะเมานะวาะเะตวาะตาสัาาะสา เอวังหตัเอวังหตโยจะุเพปะมัชิตวาปัชชาโซนัปะมัชติโซมังโลกังปพาเสติอภามุตโตวจันติมายสะสา a ปังกาตังกา ม, มังกุสเลนปะปียติโซมังโลกังปพาเสติอภามุตโตวจันติมาอาภีวาธนาสีลิสนิจังุธาปัญญโยจตารโหธมาวทันตีอายุวันโนสุขังพลัง ทางนี้จีวร น, น่าจะหายากเนาะ <c oughs> ไม่รู้พ่อฝากไว้ถวายพระทางนี้ก็แล้วกันเหนะมือนใครหาได้